คนดื้อมากก็เป็นคนที่ยากแม่มีโรคะไรจตัวตอนที่มีบแล้วก็สายตาไม่ียมีสองโรคเลยโรคเบาหวานกันเลยสายตาคำว่ดืของโยมหมายถึงอเออตลอดีินี้คม่จะไม่ฝั่งค่อนข้างจะแล้วก็ชอบใช้อรมึนเสียตัวอนนี้ก็ ที่จะทอะไรให้เขาเนี่ยมันจะนกับฉันค่ะไม่กล้าทำไม่ทเพราะอะไระเมือนทีถึงแม่นได้ยินเสียงกระหวอด <c oughs> เลยไม่กล้ามันนึกเสียงกระหวดอยู่ในใจเราใช่มใช่อ๋อมันพุขึ้นมาใช่พ่อยังอยู่เาเสียไป5ปีแล้วปีแล้วแล้วจริงๆเราอยากให้แม่เป็นแบบไหน อ, อยากให้เข้าใจดีกว่านี้ อ, อยากให้ใจดี แล้ว ป, ประมาณแค่ไหนที่ยมต้องการคืออยากให้เราพูดถึงใครในนี้ดีๆแล้วก็ไม่ตวาดใครไม่เอาไปใช้ตัวพออยากให้แม่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแม่เป็นแบบไห น, นไม่ชอบตวาดแม่ไมี่ได้ตวาดขนาดสิบเก้าแล้วเป็นมานานยังแม่เป็นอยูเป็นตวาดเชียร์คิดอยากจะแก้ให้แม่หายนะ S <S ไม่ทราบทำยังไงเไม่ในความรู้สึกในความต้องการยังปรารถนาอยากให้แม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการไหมค่ะอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วแม่เคยหวังอะไรในตัวโยมไหมไ ม, ไม่เคยคุณหม่ค่ะแล้วไม่รู้ความประสงค์ของแม่ค่ะคุณแม่เป็นคนที่พูดทั้งวันทั้งคืก็เป็นไม่ไม่เคยพูดกับใ ค, ค, ครทุกหลัแล้วเวลาเขาบน่นเราเขาบ่นเรื่องอะไร ไม่ใชคนที่งอกในที่ของเราเขาว่าเราแม่ว่าเขาบอกว่าอย่างยุ่งกับฉันเขาจะประวัติบบใจ<อ>ที่ไม่พอใจก็จบแค่นั้นอยาง่งฉันอ๋ออยากไม่อยากให้เราไปยุ่งคำว่ายุ่งของแม่เนี่ยหมายถึงอะไรไม่เขาไม่ถามไม่ต้องไปบอกและเขาไม่อยากทำไม่ต้องไปร้องเีอ๋ออันนี้คือความต้องการของแม่ได้เราก็ทําตามที่แม่ต้องการ แต่บางทีมันก็ไม่ดีอะค่ะพี่ น, น <ะ S 2> าบนางทีก็ควรจะปันผลม า, ากแบบนีอ๋อนี่เห็นหมจริงจริงแล้วโยมก็ไม่ได้เป็นไปอย่างความต้องการของแม่นะแม่ก็ไม่ต้อง<ช>ไม่เป็นไปอย่างความต้องการของโยมค่ะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่จริงหมจริงจริงสรุปจริงไม่จริงเ <laughs> ออใช่ค่ะเออในจริงจริงมันปัญหาจริงๆมันเป็นอย่างนี้โยม โยอมอยู่กันด้วยความต้องการแม่ก็ต้องการให้หนุกให้ให้โยมเป็นตามที่แม่ต้องการโยมก็ต้องการอยากให้แม่เป็นไปที่โยมต้องการความต้องการของสองคนเนี่ยทั้งแม่และลูกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่แม่เป็นและลูกเป็นโยมก็เป็นทั้งโยมแบบนี้นี่คือธรรมชาติของโยมธรรมชาติของแม่เขก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นแหละแต่เมื่อใดโยมใช้ความต้องการของโยมไปบังคับกดเกณฑ์เพื่อให้เป็นตามใจที่เราต้องการ ไปปะท่ากันเมื่อไหร่ในที่สุดจริงๆความต้องการของโยมก็แพ้ทุกครั้งเพราะแม่ก็ยังเป็นอย่างที่แม่เป็นเมื่อใดที่แม่ต้องการให้โยมเป็นอย่างที่แม่ต้องการแม่ก็แพ้ทุกครั้งความอยากความต้องการของแม่ก็แพ้ทุกครั้งเพราะโยมก็เป็นอย่างที่โยมเป็นใช่ไหมต่างฝ่ายต่างก็มีโทนมีก็เรียกอัตลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่ต่างกันอัตลักษณ์ของโยมก็เป็นขึ้นโยมแบบนี้ ใครก็มาเปลี่ยนแปลงโยมไม่ได้ถ้าโยมไม่คิดจะเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคุณแม่เขาก็เป็นทั้งอย่างคุณแม่ใครก็เปลี่ยนเธอไม่ได้ถ้าเธอไม่คิดที่จะเปลี่ยนสรุปแล้วก็คือคนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างกันเท่านั้นเองวิธีการจริงๆคือก็ค <c oughs> <c oughs> ือว่าถอดถอดความต้องการวางไว้เสถอดความอยากความต้องการก็คืออยากให้ความต้องการเนี่ยมามามากดเกณ์หรือมาบังคับ มาคอนโทรให้ออาความต้องการออกเอาความอยากออกไปให้มองแม่ด้วยปัญญาเอาปัญญามาแทนความต้องการเมื่อเอาสติมาเอาปัญญามาปัญญาคือรู้ใช่ไหมรู้ชัดรู้ทั่วรู้โดยประการละต่างๆรู้ให้รอบรู้ให้รอบก็คือว่าอดีตแม่เป็นยังไงปัจจุบันแม่เป็นอย่างไรและอนาคตถ้าทำอย่างนี้แล้วแม่จะเป็นยังไง ถ้ารู้ทั้งปัญหาของแม่ในอดีตปัญหาของแม่ในปัจจุบันและปัญหาของแม่ที่จะเป็นไปในอนาคตรู้ทั้งปัญหาภายในของคนแม่ทั้งปัญหาภายนอกด้วยรู้ทั้งปัญหาหยับหยบปัญหาละเอียดปัญหาใกล้แล้วปัญหาไกลถ้ายกสามารถไปรู้ปัญหาทั้งหมดของคนแม่ได้ว่าเออนี่ปัญหามันคืออะไรกันแน่อันนี้แปลปัญญาเข้าไปรู้ใช่ไหมพอไปรู้อย่างเงี้ยมันอาจจะ มันอาจจะยากสงหรับโยมไปนะถ้าพูดลึกๆ ล, ล, ลงไปแบบนะี้แต่เบื้องต้นจริงๆคือมองสิ่งมองมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นก็คือแม่เป็นอย่างไรก็มองแค่นั้นเข้าใจแค่นั้นอย่าไปใส่ความต้องการลงไปแต่ให้มองในสิ่งทั้งหลายที่เป็นเหมือนเรามองไปว่าวันนี้อากาศมันร้อนกี่องศา ตอนเช้ามีลมไม่มีลมอากาศหนาวไม่หนาวลมอับหรือไม่อับช่วงนี้ฝนตกไม่ตกใช่ไหมไอช่วงที่ผ่านมามีฝุ่นละอองไม่มีฝุ่นละอองเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติชัดๆเลยเนะซึ่งโยมไม่สามารถที่จะไปคอนโทรอะไรมันได้เลยเพราะอะไรเพราะมันเกินความสามารถแต่มันมีคนที่เขามีความสามารถนะเขาสามารถที่จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมือหรือเราอาจจะหลบมาอยู่ในห้องแบบเนี้ย ใส่แอร์ใส่เครื่องปรับอากาศแล้วก็อาจจะใส่เครื่องกรองอากาศอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะพอป้องกันตัวเองได้ใช่ไหมถ้าความสามารถถึงศักยภาพถึงในเรื่องของการที่คุณแม่เป็นเหมือนกันถ้าความสามารถเรายังไม่ถึงให้รู้ก่อนยัง ไ, ไม่ถึงจริ ง, รงๆอ่ะเขาบกมาให้รู้ตรงนี้เลยคำว่าความสามารถยังไม่ถึงก็คือให้รู้ก่อนว่าคุณแม่เป็นแบบนี้เงี้ยเป็นแบบเนี้ย ทีนี้โยมไม่ศึกษาถ้าโยมศึกษาเขาไปมันจะเหมาะการมองมองสองส่วนเนาะหนึ่งมองด้วยศึกษาสองมองด้วยเศษถ้ามองแบบเสษเนี่ยมันจะมีคําว่าชอบเมื่อทําถูกใจเราไม่ชอบเมื่อทําไม่ถูกใจเราแล้วก็เฉยเฉยไม่อยากสนใจอันไหนมากกว่ากันที่ผ่านมาไม่ชอบแสดงว่ายมไม่ชอบมากกว่าใช่ไหมนี่นคืออย่างนี้เขาเรียกว่าโยมมองด้วยความรู้สึก ความรู้สึกเป็นแบบนี้อย่างนี้สิ่งเก่าสมาที่หลังมาคุณหลังเาจะมาแกเงินการค่ะอ๋องั้นฟังต่อตอนนี้กำลังพูดเรื่องชอบไม่ชอบเฉยๆไม่ชอบมากกว่า ที่ไม่ชอบมากกว่าแต่ว่าตัณหาประเภทหนึ่งเกิดขึ้นความต้องการตัณห า, านีสา่สามลักษณะหนึ่งยินดีอยากได้คืออยากได้อยากเอาอยากเสพอยากได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเอามาตอบสนองอัตราตัวตนมีอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางมีสุขเวมีความสุขเวทนาเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมาย มีความไม่รู้นี่แหละอยู่เบื้องหลังเนี่ยปัญหาแบบนี้ประเภทหนึ่งประเภทที่สองอยากให้สิ่งที่ตนเองชอบและต้องการได้ตนเองได้ได้รับความสุขอยู่นั้นเป็นต้นเนี่ยหรือสมหวังอยู่นั้นมันถาวรมั่นคงไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงประการที่สามอยากให้สิ่งที่ตนเองไม่ชอบมันพ้นไปมันหายไปมันวิบัตมันท่า ท่านหาประเภทนี้เกิดจะยอมอยู่ดันความอยากประเภทเนี้อยากให้บุคลิกภาพไม่ดีหรือการกระทําที่ไม่ดีสภาพจิตใจของคุณแม่ที่ไม่ดีความคิดเห็นของคุณแม่ที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบเนี่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้ที่เราไม่ชอบเนี่ยอยากให้สภาพแบบนี้มันค้นเราไม่อยากเห็นบุคลิกภาพของแม่เป็นแบบนี้เราไม่อยากเห็นสภาพจิตใจของแม่เป็นแบบนี้ เราไม่อยากเห็นทัศนะมุมมองความเห็นของคุณแม่เป็นแบบนี้เราอยากให้บุคลิกภาพแบบนี้ความคิดเห็นแบบนี้แล้วก็สภาพจิตใจของแม่แบบนี้หายไปอันตรท า, านไปหรือพ้นไปสักทีและเราก็อยากจะพ้นจากสภาพตรงนั้นด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความอยากความอยากตรงนี้มันสวนกระแสกับความจริงมันทนมันไปประทะกับความจริง ความจริงของคุณแม่คือก็เป็นอย่างที่เราเห็นนั่นคือความจริงนั่นคือธรรมชาติเลยทีนี้ความอยากความต้องการของเรามันก็ไปประทะกันระหว่างธรรมชาติความอยากกับธรรมชาติความจริงไหมกฎธรรมชาติกับกฎของกระแสของธรรมชาติกับกระแสของความอยากมันไปประทะกันกระแสไหนชนะธรรมชาตินะกระแสไหนแพ้ ความอยากแพ้แล้วใครทุกข์เพราะเราให้ตัณหามันเป็นตัวคอนโทรลเรากำกับเราเราเลยทุกข์ฉันถึงบอกว่าถอดตัวนี้ออกถอดความต้องการออกประเด็นต่อมาจะถอดยังไงเพราะเราไม่เคยถอดใช่ไหมเราได้แต่เอาความอยากนำชีวิตตลอดก็อย่าไปให้เขานาแล้วก็บอกเขาบอกว่าเรา เราให้คุณเนี่ยนําชีวิตเรามานานแล้วแล้วก็เราไม่เคยออกจากปัญหาออกจากความทุกข์ได้เลยมันไปดูดปัญหาข้างนอกไปดูดความทุกข์ข้างนอกมาไว้ในใจเราแล้วก็มาปรุงแต่งมาเบียดเบียนบีบคั้นในใจตัวเองมากดทับกดดันแล้วเราก็เครียดก็ก้มก็ทุกข์อย่างเนี้ยทั้งๆ ท, ท, ที่ปัญหานี้นอกตัวด้วยเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่คุณแม่ก็ยังตามเข้ามาในใจเราอยู่เนี่ยแปลว่าะไ แปลว่ามันมาผมมันเต็มไปหมดแล้วในนี้มันไม่ใช่ปัญหาลอกตัวแล้วตอนนี้อันนี้แปลว่ายอเป็นคนมีความสามารถเองแค่ความสามารถผิดแทนที่จะใช้ความสามารถในการปรุงแต่งความสุขใช่ไหมแต่ก็ไปใช้ความสามารถในการปรุงแต่งความทุกข์ตรงนี้แหละที่มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานตรงนี้สัตว์เดรัจฉานทําไม่ได้แต่มนุษย์ทําได้เช่นสามารถที่จะปรุงแต่งให้ตัวเองเป็นโรคจิตโรคประสาทเนี่ยอันนี้มนุษย์ทําได้ และจะปรุงแต่งให้ตนเองเน่ะจนสามารถเข้าถึงสภาวะจิตที่แข็งแรงมั่นคงเข้าถึงสุขสมนัติจนถึงปัญญาแล้วรู้แล้วเข้าใจความจริงมนุษย์ก็ทําได้เหมือนกันมันอยู่ที่มนุษย์จะใช้ความสามารถด้านไหนอ <c oughs> <c oughs> เออไม่มีใครแนะนําเราไงการใช้ความสามารถในการปรุงแต่งสุขปุงแต่งปุงแต่งปัญญาให้เกิดขึ้นปุงแต่งความแกล้าเกิดขึ้นปรุงแต่งสติให้เกิดขึ้น ปรุงแต่งกุศลปรุงความดีทั้งหลายให้เกิดขึ้นปรุงแต่งเมตตาหรือ ก, กรุณามุทิตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นเอสภา ว, ว่าอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำว่าปรุงได้จริงๆแต่เรามันถนัดใช้ความสามารถไปอีกมุมนึ่งก็ปรุงแต่งความโกรธความไม่พอใจความน้อยเนื้อต่ําใจความโกดธู่ท่อถอยความลังเลสงสยัยฟุ้งซ่านรังคาใจโอย้ยปรุงเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยมั้งมันจับกายปรุงเรื่งนี้นียงเป็นอยู่ทีนี้ ฉันถึงบอกแต่ทีแรกก็คือถ้าเราจะลงรายละเอียดในภาคปฏิบัติการอย่างสำคัญกันีน่บอกบอกเรื่องปัญหาก็บอกว่าเออที่คุณแม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเป็นคุณแม่ก็เป็นอย่างนี้มาก่อนที่เราจะเกิดคุณแม่ก็เป็นแบบนี้เพราะเธอสั่งสมอัธยาสัยอย่างนี้เธอก็เป็นเธออย่างนี้เรายังไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคุณแม่ได้เพราะต้องยอมรับก่อนความสามารถไม่ถึง เหมือนความสามารถที่โยมไม่สามารถจัดการส่วนชั้นบรรยากาศข้างนอกได้แต่โยมสามารถเพียงแค่ในห้องสี่เหลี่ยมที่โยมมีศักยภาพพอโยมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ใช่ไมแต่ความสามารถดีๆโยมสามารถขยายพื้นที่นี้ทั้งพื้นที่แล้วก็ติดเครื่องปรับประกาศได้ได้นะัที่อื่นก็ทํากันได้ไเยอะใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นอาจมีวิธีการอีกเยอะมากแต่นั้นก็ต้องพูดถึงปัญญาความรู้ความเข้าใจและความสามารถ แต่ตอนนี้ที่ยมเป็นก็คือใจเราเอาแล้วพอเรารู้ความจริงอย่างนี้อ๋อมันมาจากตัวไหนมันมาจากตัวความอยากอยากอยากให้เป็นตามที่ใจเราต้องการอยากให้แม่เป็นไปตามใจที่เราต้องการอยากให้ธรรมชาติของแม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการถ้าให้ความอยากใช้บริการความอยากเมื่อไร่ต่อให้อยากแทบตายแม่ก็เป็นอย่างที่แม่เป็นยมเพิ่มปริมาณความอยากเท่าไหร่ ความทุกข์ก็จะสะท้อนกลับมาที่โยมปริมาณเท่านั้นยยมเอาลูกฟุตบอลเนึ่งคว้างข้อเข่ผนังอยู่ที่แรงของโยมอย่ากว้างไปแรงขนาดไหนมันก็จะเด้งกลับมาเท่านั้นฉันใดเมื่อโยมใส่ความต้องการมากเท่าไหร่โยมก็จะทุกมากเท่านั้น mm hmm. ถ้าอยากให้ทุกมากโยมก็อยากให้มากกว่านี้เพิ่มปริมาณเข้าไปเพิ่มดีกรีงความอยากให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะทุกมากขึ้นมากขึ้น จะอยากจนถึงขนาดให้เส้นเลือดในโลหิตแตกก็ได้มนุษย์ทําได้ขนาดนั้นเรีย <c oughs> มนุษย์ขนาดนั้นนี่เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ปัญญาเนี่ยนี่เป็นความต้องการเป็นความอยากล้วนๆเย้ไหมทำไมา้องใช้คําว่ า, าวิธีการที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจงจงทำแบบนี้หรือพระเจ้าบอกทางเยถ้าทําแบบเนี้โยมก็จะได้ได้สภาพจิตใจแบบเนี้ที่เป็นอยู่ทุกวัน และยมก็จะมีบุคลิกภาพแบบนี้แปลว่าตอนนี้บาปเนี่ยเล่นงานยมสองสองส่วนหนึ่งจิตใจสองบุคลิกภาพไม่ใช่ยมได้บุญนะที่ยมไปปฏิบัติต่อคุณแม่แบบนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณแม่ก่อนพูดเอายอมวน่ล้วนๆก่อนเลยหนึ่งยมเกิดความทุกข์ความกลัดกลุ่มความเครียดวิตกกังวลน้อยเนื้อต่ำใจหดหู่ท้อถอย ฟุ้งซ่านลำคางอันนี้เป็นบาปเป็นอคติสที่เกิดในใจพราะมันเกิดขึ้นมาปุ๊บยอมก็จะมีบุคลิกภาพที่ออกมาทางพฤติกรรมการจระทําหรือการพูดสีหน้าแววตาทั้งหลายทั้งส่วนเนี่ยออกมาเป็นโทนลักษณะเริ่มหงุดหงิดฟุ้งซ่านออกมาเครียดกัดกวูมันจะออกมาหมดเลยนะสรุปแล้วมันให้ผล2ระดับระดับที่1ที่จิตใจระดับ2บุคลิกภาพและมันส่งผลตามมาอีก มันส่งผลทั้งสุขภาพร่างกายที่จะตามมาทั้งโรคภยยัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันจะตามมาอีกเยอะน ะ, นะเสื่อมอะไรความเสื่อมมันจะตามมาเร็วมากนะเข้านะเข้าก็คือสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ปู่ตาย่ายายทั้งหลายในที่เกี่ยวข้องอะไรเยอะก็พลอยทุกไปด้วยทันสี่ระดับเลยนะเนี่ยหนึ่งบุคลิกหนึ่งจิตใจสองบุคลิกภาพสองตัวเราเองก็คือเสื่อมเสื่อมจากลาบยศสารเสื่ออะไรก็ได้ สภาพสังคมสิ่งแวดแล้อมแม่ไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับพ่อแม่ผู้ตายย้ายายกับเพื่อนใครทัท้งนั้นเขาก็คอยทุกคอยเครียดคอยลุ่มกับกับจุดแรกที่มันเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆที่เจอประจำก็คือจิตใจกระ บ, บุรีกราพันี่มันเกิดใช่ไหมยองก็วิธีการที่คนแก้ปัญหากันโดยทั่วไปก็คือมันเครียดก็ไปคลายเครียดไปผ่อนคลาย ดูหนังฟังเพลงบ้างอะไรก็แล้วแต่อยอมอยางที่ยอมทําแต่ออกกําลังกายบ้างอะไรโยคะบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างเที่ยวถึงนู้นตรงนี้บ้างผ่อนคลายก็ไม่อยากจะกลับเข้าบ้านอยากจะทําอะไรให้แม่ปุ๊บฝุดขึ้นมาในใจบางทีแม่ไม่ต้องอยู่กับเราตอนนี้เราก็ทุกได้อย่างสบายตอนนี้ไม่ต้องอาศัยคุไม่ต้องอาศัยหน้าคุณแม่อาศัยว่าตอนนี้โยมเก็บไว้แล้ไอ้ที่เก็บไว้ในใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปั่นจะสัญญา กุศลสัญญายอมยอมได้เก็บข้อมูลในเรื่องไม่ดีไว้หมดเก็บเก็บทุกชดเยอะมากยอมอยู่กับแม่มากี่ปีลองคิดดูที่ว่าวันวันหนึ่งเราจะได้ภาพใหม่ๆตลอดซึ่งเป็นภาพที่ที่เป็นสัญญาที่จำในเรื่องที่ไม่ดีเยอะ ปีละสามร้อยหกสิบห้าวันวันละยี่บสี่ชั่วโมงลองคิดดู เ, เวลาใดที่คิดถึงคุณแม่มันจะมีความสุขแล้วตรงนี้เก็บเต็มทุย่างนี่สัญญาเป็นเหตุใกล้ของสตินะสติมีสองส่วนสัมมาสติกับมิฉาสติถ้าสัมมาสติก็คือระลึกทีไลลรแล้วกุศลมันเกิดจิตใจ ของแผ<ม>่วเบิกบานเหมือนเราเจรินกุศลในคิดมเมื่อไรจิตใจกับมิฉาสติเวลาระลึกมเมื่อไหรแล้วโโหเครียดเลยก้มเลยทุกเลยทอ ม, มานะกำหนักยินดีเพลิดเพลิ น, นขัดเคืองเครียดโกรธมัวเมาแล้วก็ลุ่มหลงเนี่ยกรณีแบบนี้แปลว่าเราระลึกมเมื่อไรมันก็จะนั่นจรทงทำยังไงวิธีอันนี้อันนี้นนนนหนึ่ง ห น, หนึ่งตั ว, ต, วตัวปัญหาประทุกตัวปัญหานี่นะสองเหตุของทุกเขตปัญหาเพราะเราไปไปไปจําเรื่องไม่ดีเราไปคิดที่ไม่ดีไอ้ตัวเนี้ยเก็บข้อมูลไว้เต็ไมไปหมดหนึ่งหนึ่งทุกหนึ่งปัญหาสองเหตุของปัญหาเริ่มเห็นแล้ว น, ะออว น, นี่ยไอยนะ้สองส่วนเนี่ยแล้วมันเป็นนี้ตลอดเลยใน2ส่วนเนี่ยไอ้ตัว ตัวทุกตัวปัญหาก็ตัวเหตุเขา้ามาทุกจริงๆคนรอบรู้คนกําหนดรู้คนใช้ปัญญาไปรู้แต่ยอมเอาใจก็ไปรู้มาเรียบร้อยนะปัญหาตัวเนี้ยการที่เราคิดแล้วเครียรคดคิดแล้วกุ้มคิดแล้วกาหนดขัดเกลื่อนทั้งหลายคนละแต่ยอมไปไปเจริญมันไปทําให้มันเกิดซะนี่มันทํากิดเขาผิดสองอย่างเนี่นะเอาแล้แต่เนี้ยที่ผ่านมาไม่เป็นไรประเด็นต่อไปเรารู้แล้วนี่คือปัญหานี่คือเหตุปัญหายอมต้องวางจุดหมายว่าจะต้องดับ จะต้องจะต้องปลอดจากทุกหลอดจากปัญหาหรือต้องดับปัญหานี้ได้ถ้ายอมวางเป้าหมายที่นโรดตัวนี้ที่การดับปัญหาต่อมาก็คือวิธีการไอวิธีการตรงนี้ต้องทำยังไงอยากได้วิธีการเนี่ย <c oughs> <c oughs> วิธีการยมากเลยวิธีการก็คืออันดับแรกเลยนะยดตั้งใจตั้งสติใหม่ ตั้งสติคําว่าสติในที่นี้ก็หมายความว่าตัวข้อมูลตัวตัวระลึกน่ตั้งสติว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้บาปบาปอากุศลแบบนี้การระลึกแล้วจิตมันเศร้าหมองความเศร้าหมองที่ผ่านมาทั้งหมดที่คิดทีไรก็เครียดคิดที่ไรก็ก้มคิดอะไรก็น้อยเนื้อต่ำใจ เ, เราจะไม่ให้บาปสมาทานนะตั้งตั้งใจไว้นะ แต่ยอมอย่าไปคิดว่าฉันทำไม่ได้นะอันนี้จบเลยนะให้คิดว่าจะไม่ให้บากชนิดเนี้กลับมาสู่กระแสความคิดกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกของของเราอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะพ้นจากปัญหาพ้นจากทุกข์นี้ให้นี่คือตั้งการตั้งอย่างนี้ตั้งบ่อยๆตั้งบ่อยๆทีพอตั้งความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บเรากลับไปคิดถึง เราสามารถจะไปดึงดึงดึงพฤติกรรมของคุณแม่ครับสมมติอยู่ตรงนี้นะถ้ายอมเริ่มมีสติมีปัญญาแล้วดึงดึงพฤติกรรมของคุณแม่ที่เรามองว่าไม่ชอบใจดึงขึ้นมาใช้สติดึงดึงตึงดึงเข้าไว้แล้วก็อย่าเอาใจไปรู้นะให้ปัญญาไปสอบสวนว่าอ๋อให้มองแล้ววิจัยว่าที่เราไม่พอใจ คุณแม่เราอยากให้แม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เราจะดูเป็นกรณีศึกษาเราจะดูแล้วก็จะวิจัยแยกแยะว่าก็แม่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมชาติของแม่ก็แม่ก็เป็นแม่อย่างนี้แหละและเราไปเกี่ยวอะไรเราอยากจะไปแก้ไขอะไรท่านมันเกี่ยวอะไรกับเรา มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านแล้วเรื่องนี้ก็นอกตัวเรามันไม่อยู่ในตัวเราเลยทำไมเราชอบไปจัดแจงแม่จังเนี่ยเดยใส่ข้อบูลอย่างเงี้ยเราไปจัดแจงอะไรต้เอต่อให้เราไปจัดแจงให้แม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวแม่ก็จะเป็นอีกอย่างเพราะเราไม่สามารถจะไปกํากับความคิดของแม่ในทุกช็อตทุกขั้นตอนเลย กระบวนการความคิดของเราเราก็จัดการของเราเองกระบวนการกองคิดของคุณแม่ <c oughs> เธอก็เป็นของเธอเองแล้วใครล่ะที่จะไปสามารถสอดความคิดเข้าไปแล้วไปกํากับความคิดให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการมันทําไม่ได้หรอกแม้พระเจ้ายังทําไม่ได้เลยที่เขาบอกนับถือพระเจ้าพระเจ้าแบบนี่ยพระเจ้าก็ทําไม่ได้พระเจ้าอ๋อแต่ถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องสุข ก็เข้าใจเดี๋ยวจ็บต่อตอนนั้นรอฟังยังรอสุดทนต่อนี้ต้องดูแลแม่กันทั้งสองคือที่ฉันบอกว่าพระเจ้าก็ไม่สามารถไปกดเกณฑ์สิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆริ่จำไวล่ะถ้าพระเจ้าสามารถคอนโทรลได้อย่างนั้นจริงๆมนุษย์ก็ไม่ทะเลาะกันหรอกเรืต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าพระเจ้าคอนโทรลได้จริงๆกํากับจริงๆพระเจ้าก็ต้องกํากับความคิดของเราได้ด้วยจ่ไว้ล่ะ ก็เป็นตัวทีนี้เราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระเจ้าก็ท่านก็เพียรของท่านท่านก็มีปัญหาของท่านใช่ไหมไอเราก็มีปัญหาของเรา<ม>ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะพ่าโดยมากเป็นอย่างที่ที่พูดอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงว่าให้สังเกตดูที่ว่าอืในวันที่ภาคสาเนี่ยถามว่าถ้าพระเจ้าเนี่ย ต้องมาคอยหยิบดวงวิญญาณมาวิพากษาเนี่ยช่มเออไอ้นี่มันบูชา ม, มันมันมันอ้อนวอนเราเนี่ยโอ้โหเอออ้อนวอนเราเหวี่ยงขึ้นไปวนสวรรค์ไอ้ น, นี่ไม่อ้อนวอนเราโยนไปในรกเนี่ยเหนื่อยไหมล่ะโอ้โหเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมากเลืเกินฉะนั้นเห็นใจท่านเรื่องนี้นี่นี่ประเด็นก็คือว่าอะไรเัน้นว่าไปแต่ประเด็นคือไอ้กรณีในลักษณะอย่างเนี้ย ท่านก็เป็นของท่านเขาเรียกธรรมชาติเมื่คอคืนคู่ที่เราเหมนบอกว่าไม่สุขภาพใช่มเดี๋ยวว่า ง, งหมเราก็ห่วงสุขภาพท่านอยากให้ท่านดูแลสุขภาพหมอก็บอกเลยทำไมท่านไม่เชื่อบ้างในเรื่องแบบนี้มันเหตุผลตื้นๆอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็เอาความอยากความต้องการไปกำกับอีกวิธีการคือเรารักแม่ไหม รักใช่ไหมเอาเมรักแม่เนี่ยเรารักแบบไหนรักแบบอยากให้แม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือรักเพราะเห็นรักเพราะแม่เป็นอย่างเป็นของแม่แบบนี้รักแบบไหนเอ้าวถ้าเป็นห่วงก็เป็นห่วงก็คนละอย่างกันกับยึดว่าจะต้องทําอย่างนี้ก็คนละอย่างกันนะอ้าวแต่นี่ถ้ารักเนี่ยพิธีการสมมุติเราตักน้ําให้แม่ตอนเช้า หมอบอกแม่ตอนเช้าต้องทานน้ำแม่ตอนเช้าต้องทานยาแม่ตอนเช้าอาหารต้องกินแบบนี้เราก็ทำเหมือนเดิมแต่วิธีการก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการพูดกับแม่นแม่นี่น้ำแม่นี่ยาแม่นี่ข้าวหนูจะทำหน้าที่ของความเป็นลูกให้ดีที่สุดแต่แม่จะไม่กินก็ได้น้ำเนี่ย ยาเนี่ยแม่จะไม่กินก็ได้อาหารแบบนี้กินแล้วมันดีแลดูและดีต่อสุขภาพแม่จะไม่กินก็ได้แต่ขอร้องแม่อย่าห้ามาว่าหนูอย่าทำหนูอยากทำหน้าที่้งความเป็นลูกแต่แม่จะไม่กินแม่จะปัดทิ้งแม่จะโยนทิ้งแม่จะทำอะไรทำไปเถิดแล้วหนูก็จะทำหน้าที่หนูจะไม่ทุกข์ใจกับมันแต่หนูจะชื่นใจในสิ่งที่ได้ทำถ้าแม่เห็นว่า อยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินไม่อยากกินก็ไม่เป็นไรหนูจะไม่ไปบังคับแม่เหตุผลเพราะถ้าแม่ไม่กินยาตามที่กําหนดแม่ไม่กินอาหารตามที่กําหนดแม่ไม่ได้กินน้ําตามที่หมอบอกใครบอกเนี่ยแม่ก็ต้องสุขภาพก็แย่ลมแย่ลมก็เป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นสุขภาพของแม่แต่ใจจริงนะความต้องการของหนูนะ หนูอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆแต่ถ้าแม่ไม่ต้องการอยากจะอยู่หนูก็ไม่ว่าแต่อยากจะห้ามในกรณีที่หนูทําหน้าที่ความเป็นลูกเนี่ยหนูก็อยากจะตักน้ําให้แม่อยากจะจัดยาให้แม่อยากจะทําสิ่งดีๆทั้งหลายให้แม่ถ้าแม่บอกว่าอาหารอย่างเนี้ยแม่ไม่ชอบตามที่หมอบอกเนี่ยแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเนี่ยหนูจะลงทนทำสองอย่างเลยแม่นะ เอาอาหารที่แม่ชอบกับที่ไม่ชอบแต่ใจลึกๆนีนะหนูไม่อยากให้แม่กินอาหารแบบนี้นะแต่ว่าความรักเนี่ยเมื่อแม่ต้องการอย่างนี้หนูทาให้นะแต่ใจจริงหนูอยากให้แม่กินแบบเนี้ยเพื่อแม่จะได้อยู่กับหนูนานๆหนูอยากจะปฏิบัติหน้าจริงความเป็นลูกแต่ถ้าแม่คิดแล้วปรงแล้วยังไงยังไงกูก็ขอกินตามใจอยากตามใจต้องการ <laughs> ใช่ไห อ, อหนูก็ไม่ว่ามันเป็นสิทธิของแม่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของแม่แต่ก่อนหนูทุกมากต้อบอกนินะทุกมากที่คอยกํากับให้แม่ต้องเป็นอย่างนั้นเนะี่ยตอนนี้หนูจะไม่กํากับแต่หนูขอขอทําหน้าที่ได้ไหมแม่บางครั้งแม่อาจจะโกรธหนูอาจจะทําตามความต้องการของแม่ไม่ได้เพราะหนูหนูรู้รู้ไม่พอ คือไม่สามารถจะรู้พอว่าช่วงนี้แม่ชอบอะไรช่วงนี้แม่ชอบอะไรเนี่ยต้องยอมรับว่าหนูโง่ะแม่นะใช่ไหมมันมองไม่ทันจริงๆฉะนั้นแต่หนูทําด้วยความรักแม่เนี่ยตักน้ำให้แม่ทําอาหารให้แม่ซักผ้าถูบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หนูจะมีความสุขกับมันที่ได้ทําแต่ถ้าแม่กินอาหารที่แม่ต้องการจะกินแต่ไม่ได้กินอาหารตามที่ควรจะกิน หนูจะเข้าใจว่าแม่ไม่ได้ฝึกมาเลยเพราะแม่ไม่ได้เป็นพระถ้าพระเนี่ยเขาจะกินอาหารด้วยปัญญาใช่ไหมเขาไม่ได้เอาตัณหาเป็นตัวกํากับเขาจะปัญญาว่าอาหารนี้เหมาะแก่ร่างกายไม่เหมาะแก่ร่างกายเป็นต้นอย่างไรแต่ครว่าตัวทั่วไปยว่าแต่แม่มเลยหนูก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมหนูก็เป็นอย่างนั้อาหารที่ชอบกะที่ไม่ไม่เหมาะแก่ร่างกายอาหารที่เหมาะแก่ร่างกายแต่ไม่ชอบหนูยังกินอาหารชอบเลย อย่าว่าแต่แม่เลยว่างั้นนะหนูเข้าใจแค่นั้นหนูจะทําแบบนี้แต่ ถ, ถ้าถึงเวลาที่หนูป่วยจริงๆไม่รู้หนูจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่แต่หนูก็จะทําอย่างนี้ทําไว้ให้แม่ทั้งสองอย่างเนี้ยแต่ถ้าแม่อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม่ก็กทําแต่ถ้าแม่เห็นว่ามันนั่นก็มันร่างกายเป็นชีวิตของแม่แต่หนูจะดูแลแม่เต็มทีม่แต่จงรู้ไว้ว่าหนูไม่ได้คิดประสงค์จะฆ่าแม่ด้วยอาหารนี้นะ แต่อาหารเนี่ยแม่ต้องการจริงๆแม่อยากกินแบบนี้แม่ไม่อยากกินแบบนี้ใช่ไหมไม่อยากกินแต่หนูอ่ะหมอบอกหนูมาว่าอาหารแบบนี้ดีหนูก็ยังไม่รู้องค์ประกอบทั้งหมดจริงๆวอกมันดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าพิจารณาดูแล้วมันไม่เผ็ดมันไม่เค็มเนี่ยอาหารมันจืดๆชืดๆอ่างนี้ยหนูก็กินไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าหนูไปป่วยอย่างแม่กันมาหนูก็ถ้าหนูอยากจะอยู่ต่อหนูก็คงจะต้องฝืนที่จะกินมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แต่ถ้าอาหารตัวนี้มันอร่อยมีรสชาติกินแล้วมันโอเคมันสุขใจไนงะแต่มันมันเจ็บปวดกินเข้าไปจะต้องทรมานไตทํางานหนักขึ้นตับทํางานหนักขึ้นอวัยวะระบบการย่อยทั้งหลายไฟธาตุของแม่ก็แย่แล้วในการที่จะไปย่อยทําให้อ่านมีปัญหาก็เหมือนยองปุยเป็นใช่ไหมอย่างเงี้ยยิ่งแม่ไปเครียดไปอะไรด้วยแล้วเนี่ยจริงๆองค์ประกอบคือการเครียดมันเด่นเนี่ยเล่ น, นข้าวเล่นข้าก็ไม่ย่อยแล้วต่เนี้ ฉั้นมันมีเหตุปัจจัยเยอะมากที่ที่มนุษย์ไม่รู้จักมันก็บอกเขาบอกแม่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งเราไม่เคยไปกระทบอัตราแม่เลยใช่ไหมอัตราคือความต้องการเนี่ยความอยากหรือความเป็นอัตราอัตลักษณ์ของชั้นฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะกินอาหารแบบนี้ฉันจะกินน้ําแบบนี้ชันกินยาแบบนี้จะไม่กินแบบนี้ฉันจะนอนแบบนี้ฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้นั่นอัตลักษณ์ของแม่เราบอกว่าเอาละหนูเข้าใจแล้วต่อไปหนูจะไม่ไปกระทบอัตราของแม่หรอก อาจะพยายามเนี่ยสิ่งที่แม่ชอบคือแบบนี้แบบนี้อันทีคือแม่ไม่ชอบไอ้ไม่ชอบเป็นประโยชน์ชอบไม่เป็นประโยชน์หนูเข้าใจมันแล้วทั้งหมดเนี่ยแต่ทําให้ให้ให้หนูได้ทําไว้เถิะแม่ไม่กินหนูก็จะเก็บไปล้างหรือเก็บไปแจกคนอืน่นหรือไม่อย่างไรก็เอาไปทําอย่างอื่นหรืไงก็ทิ้งแต่ถ้าแม่กินหนูก็หนึ่งชื่นใจที่หนูได้ทําถ้าแม่กินหนูก็ชื่นใจอีกหนึ่งก็กลายเป็นชื่นใจสอง แต่ยังไงยังไงหนูต้องเก็บความชื่นใจให้ได้คือความสุขใจให้ได้ได้ไดปฏิบัติต่อคุณแม่เข้าใจใช่ไหมยังไงก็ต้องเก็บให้ได้คือความชื่นใจเพราะทําสิ่งทีด่ดีต้องมีความสุขสิที่แม่ไม่กินหนูก็หนูจะไปเครียดไปกุ้มหนูจะไม่ทําอีกต่อไปแล้วเพราะว่าแม่จะอยู่กับหนูได้หนึ่งวันหนูก็ชื่นใจเดือนหนึ่งหนูก็ชื่นใจหนูจะทําหน้าที่ของความเป็นลูกให้ดีที่สุดในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่ นี่ไงคือรักแม่บอกเธอเนี้ยหนูรักแม่นะบอกทุกวันบอกทุกวันเลยยอมตื่นขึ้นมาหนูรักแม่นะรักแม่ที่ต้องการทําอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยรักแม่เข้าไปกอดเลยแม่จะบ่นจะด่าแม่อยากตีดีเธอเพราะหนูเป็นลูกไงแม่อยากด่าด่าเธอเพราะหนูเป็นลูกไงแม่จะทําอะไรทําเลยนะหนูจะไม่โกรธแม่ด้วยอันนี้พูดจริงๆอะไปกอดกอดเธออย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมบอกเธอทุกวันบอกเธอทุกวัน ทำไมต้องทำแบบนี้นี่ไงคือการทำกุศลทำอย่างเนี้ยถ้ากุศลมีพลังมันเปลี่ยนตัวเราไม่พอจะเปลี่ยนสังคมสิ่งแวดล้อมถ้ากุศลมันพอเนยะกุศลมันมากพอนะแต่ถ้ายังมากไม่พอแต่เราก็ชื่นใจที่มัเปลี่ยนตัวเราเอางได้เปลี่ยนวิธีคิดได้เปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนกระบวนการความคิดทํา ใ, ให้ปัญญาเป็นตัวนากระบวนการคิดเราหมดท้งหมดได้ แต่ถ้ากุศลตรงนี้โยมทําอย่างติดต่อและต่อเนื่องทําด้วยความกระตันอยูรู้คุณกระตายเวทีตอบแทนคุณนะกูสนมีพลังนะจะเปลี่ยนและแม่จะเปลี่ยนอันนั้นผลพลอยได้แต่ที่ชัดๆคือโยมอ่ะเปลี่ยนเองเข้าใจไหมอย่าคิดเปลี่ยนคุณแม่แต่จยคิดเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าแม่ธรรมชาติคุณแม่เป็นแบบนั้นเหมือนธรรมชาติของโยมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่พอใจที่โยมเป็นแบบนี้ต่างฝ่ายต่างก็อยู่กันแบบไม่พอใจกันนะ่ะ จชไหมละ่ะจริงๆเป็นแบบนี้ใช่ไหมข้อได้จริงเป็นแบบนี้ไม่พอใจกันหรอกเนี่ย<ฮ>เ<ะ>อาเอาพวกแม่ลูกอเขกต้องดูแลแม่กันทุกอย่างเลยเอมแล้วเป็นงี้จริงไหมต้องเอาไปฟังลหลายๆรอบวิธีคิดแบบเนี้ยอมยอมอยู่คนแก่ไม่เป็นนี่ใช่ไหมเมื่อเช้าจะไม่พูดถึงการคนที่จะแบบพยาบาลคนป่วย ใช่ไหมล่ะหนึ่งรู้จักประกอบยารู้จักประกอบยายาชนิดไหนอย่างไรทั้งหลายต้องฉลาดใช่ไหมหายาเอ่ยอะไรทั้งหลายต้องฉลาดที่ฉลาดเรื่องยานะสองฉลาดเรื่องของแสลงแล้วไม่แสลงใช่ไหมสามไม่ลังเกียจแม่จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องไม่ลังเกียจคือมีความสุขกัการที่จะเก็บอุจจาระแม่ทิ้งอ่ะปัสสาวะแม่ทิ้งไว้กันเถอะสกปรกอไม่สกปรกทั้งหลายเนี่ยคือคือไม่ลังเกียจ ทั้งหมดเหล่นี้ข้อสี่สำคัญสุดฉลาดฉลาดแล้วพูดยังไงจนแม่รู้สึกอยากจะกินอาหารนี่คุณความฉลา ด, ดล้วนๆนะพูดอย่างเมื่อสักครู่แม่บางทีแม่อยากกินนะจริงไหมอย่างที่เอามาพูดเมื่อกี้ใช่ไหมพูดถึงถ่งที่ว่าแม่หนูจะรักแม่นะ เ, ออเวลาหนูเห็นแม่ไม่สบายทั้งหลายอนะไรนี้หนูไปนั่งช่างใจดูเนี่ย ถ้าแม่ตายวันนี้นะโอ้หนูท้องเหงาแน่นอนทั้งๆที่อยู่กันด้วยความเครียดด้วยความอะไรนี่ใมแต่เหงาแล้วจะเหงาหนูจะร้องไห้วันนั้นจริงไหมจริงเพราะว่าจริงๆแล้วอะลองคิดดูดีแม่ตายไปเนี่ยใช่ไหมแล้ว หนึ่งแม่ข้างนอกตายแต่แม่ข้างในไม่ตายไปเลยไอความรู้สึกที่หนูมีความรู้สึกเครียดกับแม่นี่นี่เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูต้องแก้ปัญหาสองสองส่วนเลยหนึ่งปัญหาภายในสองปัญหาภายนอกถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็เรก็กู้คิดถึงคิดถึงตรงไหนยอมจะร้องไห้แล้วก็จะบอกทำไมเราไม่ทำดีกับแม่ทาไมเราไม่ยอมแม่ทาไมไม่กราบเ้าไม่อะไรเยอะแยะหมด โยงก็กลายเป็นคนทุกข์แล้วแม่ก็มาผุดขึ้นในใจของโยบตลอดเป็นความคิดตลอดเลยนะเนี่ยถ้าแม่ตายวันเนี้นี่คือปัญหาใช่ไหมล้ะเพราะมันถอดสมการในใจไม่ออกอ่ะก็จะทุกข์แม่ก็ตามตามบ่นในใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละงนั้นตอนนี้ก็ถึงบอกว่าถึงบอกว่าความข้อสุดท้ายคือฉลาดฉลาดในการที่จะพูด แม่แม่โกรธพูดมีวิธีพูดจนแม่หายโกรธแม่เครียดมีวิธีพูดจนแม่หายเครียดแม่หมดกําลังใจไม่อยากอยู่พูดให้แม่มีกําลังใจคุณอาจารย์นะคะอันนี้มันปัญหาแลพวกคิดว่าพวกคนก็อยากจะทาอย่างที่อาจารย์พูดแต่ไม่มีปัญญาขอที่จะ ก็มเออามายกตัวอย่างยมแม่มาด้วยเอ่ยยมพ่อยอมพ่อยมพ่อมาเนี่ยลูบลูบดูแลยากมากเพราะเป็นคนเชื่อมั่นดูยังสูงก็ทุกคนเนี่ยหรืถ้าแก่ถ้าแก่ไปไง่ายแม้แต่เราเองต่อไปลูกก็จะดูแลเรายากเหมือนกันเนื่อเพราะเราดูแลยากแม่ยากใช่ไหมดูแลแม่ดูแลอะไรยากเราดูแล้วก็กระทบที่เราทําไม่ดีกับแม่ไว้เยอะๆเนี่ยไอ้นี่ยมันติดเป็นนิสัยเราเนี่ย เราก็เลยกลายเป็นทิฐิประเภทนี้เลยแต่เนี้ยแล้วถึงคราวเราแต่เนี้ยเราเออมมั่งเลยแต่เนี้ยโอหแต่เนี้ยลูกก็จะสายหน้าเหมกันโอ้โหทำไมแม่เป็นแบบนี้ลึือหรปูตายยัหรือแผลพี่น้องทั้งหลายไม่ได้คิดพ่อเนี่ยอโซบุหรี่กินเหล้ามาบวชใหม่ๆเนี่ยทำงานนั่นไหเคยไปนั่งคุยกันในครึ่งวันให้แกเลิกเหล้าบุหรี่ไม่เป็นไรให้เลิกเหล้าก่อน อามาก็บอกว่าอามาเป็นพราโยมเนี่ยเป็นพ่อของพระเวลาไปกินเล้าเนี่ยหมมันอามาก็อายเขานะโอเที่ยวเพศสอนคนอื่นแต่พ่อไม่เป็นอย่างนี้แหบอกว่ามันสังคม <Yeah. S 1> ใช่ไหมใช่ไหมมันก็เป็นสังคมมันจะเป็นเลิกได้ยังไงมันก็ต้องมีบ้างคุยกันไปคุยกันมา ตอนนั้นอะมาก็แก้ปัญหาไม่เป็นเนี่ยก็คิดเหมือนคล้ายๆโยมนี่เอาเอางี้ก็แล้วกันสรุปแล้วเนี่ยพ่อก็เป็นของพ่อฉันก็อยากให้พ่อทําอย่างที่ใจต้องการถ้า ง, งั้นเราอย่าเจอกันก็แล้วกันงั้นเดี๋ยอามาก็จะไปแล้วจวออกจากบ้านแล้วแล้วก็วันไหนพ่อเลิกเล่าวันนั้นอามาจะกลับเยมพ่อก็เอางั้นเลยเลย เออเอานี้แหละมันตกลงกันไม่ได้คุยตั้งครึ่งคืนแล้วแกบอกเอา้าถ้าจะเอาอย่างงั้นยอมงั้นไหมแกก็จะเอาชนะเราเขาใจไหมเราก็จะชนะแกไปไปมาแล้วบอกว่าอ้าเดี๋ยวให้หลานเอารถไปส่งผมไม่ต้องเอามามีเท้ า, เามาเดินเอง <c oughs> เอามาเตรียมบาทเตรียมจดตอ น, นั้นนะ่ะเดินลัดทุ่งเลยเีนะี้เดินลัดเดินแบบคนไร่จุดหมายคําบอกไร่จุดหมายเอามาเออ ไม่กลับเลยงานเนี้ยไปข้างหน้าแต่พึ่ก็เดินไปนะเดินไปจนจะครึ่งพืนที่เดินก็ไปตั้งแต่นั้นก็ไม่กลับบ้านนไม่กลับอยู่ตั้งเป็นเจ็ดแปดปีไม่ยอมกลับบ้านแล้วนัเข้านัเข้าพ่อคิดถึงลูกแล้วแล้วก็พามาก็ตอนนั้นสมัยนั้นจะมีโทรเลขพามาก็จะบางครังก็จะโทรเลข อยู่จุดตรงไหนตัเลขถามน้องสาวบ้างน้องสาวก็จะโทรเลขกลับว่ายองพ่อบ่นคิดถึงแต่ตอนนี้ยองพ่อกไ็ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยกินเหล้าแล้วแต่ยังมีบ้างแต่ก็น้อยใจพักน้องน้อยใจ ห, หลวมพี่ทำน้องเนี่ยแก้วก็ยังไม่ไปจนครบเกือบสิบปีเก็รู้แกเลิกเข้าไปก็ไปแกก็โอ้โหแกว่าแม่แกบน่นแกบอก นี่รังเกียจยมพ่อขนาดนี้เลยนะตอนนี้พอเลยพูดกันแกแต่แกเหลือบุหรี่มาก็เลยไปขอโทษแกเนี่นเยเออมาก็ไปเจริญกุศลอะไรตา่างๆก็เลยบอกว่าเอาละมาเข้าใจชีวิตแล้วสิบปีนะกว่าจะคิดเรื่องพวกนี้ออกนะย่างยมไม่ต้องแปลกใจแล้วนะไม่คิดเร่องอะไรออกผู้นสบายใจเลยมาก็บอกว่า น, นี่ยมพ่ออามาเข้าใจแล้ว ยมพ่อสู่ไปเฮอร์เตยยกสู่บุหรีถ้าไม่อยากสู่ยมพ่อก็ไม่สูบอย่าไปสูป่แล้วก็เรียกน้องๆมาเรียกญาติๆมาบอกว่ายมต่อไปนะยมพ่อยมแม่จะเป็นยังไงปล่อยยมแม่ปล่อยยมพ่ อ, อยมพ่อยมรู้ว่าสู่บุรีเนี่ยมันจะเป็นยังไงผนที่ตามมาแล้วก็เอาอะไรมาให้ดูทั้งหมดว่า บุหรี่มันให้โทษอยังไงทุกเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนมาบนี้ตามระดบแต่พูดอย่างเนี้ไม่ใช่พูดให้โยมพ่อเลิกนะพูดเพื่อให้รู้เมื่อถึงขั้นตอนตรงนั้นแล้วเราจะได้วางท่าทีทางใจกับมันได้ถ้าเราอยากจะเกี่ยวข้องกับมันมันจะต้องเจอระดับหนึ่งเป็นยังไงไการเป็นถุงลมป่งทองหรือกลายเป็นเป็นอะเป็นมะเร็งอ่ะมะเร็งกล่องเสียงเลยทั้งหลายเนี่ยฉันก็อธิบายหมดเลยนะถ้าตัดกล่องเสียงมันก็ยังไม่ตายนะโยมพ่อเนะ เนี่ยมันมีสมาคมไล่กล่องเสียงในประเทศไทยตัดออกนะไม่ได้ฝึกพูดเนี่ยบาทีเเอาอะไรพูดปุ๊บมันพูดมันเป็ดนะพูดเสียงมนุษย์ไม่ได้แต่มันก็ค่อยๆพูดกันได้เนี่ยก็พาแกไปดูด้วยที่โรงพยาบาลสิริราชก็เห็นไหมเนี่ยเขามีสมาคมพอพาไปเยี่ยมเนี่ยทุกคนจับมือแกเออหยุดให้เลิกเสียให้เลิกเลื้มๆแกใช่ไมกกใไหม้แกไปเห็นนี่ยแกไปเห็นกลับมาแกนึกกลัวแกใช่ไหมก็บอกแกว่ายมพ่อ อันนี้เป็นเรื่องกระจอกสําหรับยมพ่อใช้คําอย่างนี้ว่ายมพ่อมันคนที่ฉี่แรงไงยมพ่ออย่าไปกลัวมันถึงถึงกล่องเสียงไม่มีก็ยังไม่ตายยมพ่อดูสิมันยังใช้ชีวิตได้แต่เพียงว่ามีเสเรลตไหลออก บ, บ้างอะไรบ้างมันพูดเลยไม่ออกแค่นั้นเองนยมพ่ออย่าไปกังวลตรงนั้นไม่กังวลแล้วกันตายก็เผายมพ่อเออตายก็เผาถูก มันมีใครเก็บไว้หรอใช่ไหมแต่ว่าก่อนจะตายมันทรมานเท่านั้นเองแต่โยมพ่อเนี่ยมามั่นใจมั่นใจว่าโยมพ่อเป็นคนมีความอดทนสูงมั่นใจว่าโยมพ่อจะอยู่กับมันได้เนี่ยบอกแกตลอดนี่บอกบอกให้ข้อมูลทั้งหมดสูบเป็นยังไงไม่สูบเป็นยังไงให้พ่อเลือกเรเชื่อไหมอยู่ประมาณไม่เกินสามดืนโยมพ่อเลือกเขาไม่ได้เลือกเพราะเราบอกนะ เขาเลิกด้วยตัวเขาเองนะพวกคนที่มีทิฏฐิม า, มากๆก็ยังมีความคิดแบบเนี้โยนนะฉันเลิกเพราะตัวฉันเองอพอเลิกเสร็จปุ๊บพอไปได้สักประมาณห้าหกปีเป็นทุ่งลมผมของแกเริ่มเหนื่อยก็บอกเออเนี่ยโยนพอ่อแกบ อ, กอเฮ้เหนื่อยโยนพอเจอหน้าเจอละครับก็พระเหนื่อยมากเลยเวลาเดินมันเหนื่อยเดินขึ้นบนรดายสูงๆก็เหนื่อยก็เออ แม่ก็ว่าถ้าเลิกเมื่อ20ปีที่แล้วที่พักบอกคงไม่เป็น <c oughs> แต่ไม่เป็นรเดี๋ยวพอ่ออันนี้เพียงเพียงเบื้องต้นเดี๋ยวพอทุงลมป่งพองนะถ้าร่างกายอ่อนแอไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอปอดมันจะรับเชื้ออะไรได้ง่ายถ้าไปเป็นโรคอะไรย่างอื่นเนี่ยมันจะยิ่งหนักกว่านี้อีกนั้นเดี๋ยวพ่อก็ต้องดูร่างดูแลตัวเองให้ดีแต่ถ้าคิดว่ามั อ, อและชีวิตนี้ทำไมเราไม่ดูแล้ว แต่เราคิดว่า้ยเราจะอยู่ต่ออยู่ต่อเพื่อให้ลูกได้กุศลเราได้เจริญกุศลลูกปฏิบัติต่อเราแต่ละวันแต่ะวันก็ได้กุศลเราได้เจริญกุศลทุกวันแล้วก็ได้ได้เจริญกุศลลูกก็บวชเป็นพระทั้งสองคนแกก็โหตอนนี้มารายาหลังแกดูแลตัวเองเต็มที่แล้วดูเต็มที่เจริญกุศลโอ้โหทําเริ่มแล้วเริ่มทําเต็มที่เห็นไหมเนี่ยและฉันบอกลูกน้องๆทุกคนไม่ต้องไปบอกแกเลย แต่อะไรรู้ไหมบอกข้อมูลทั้งจุดด้อยเป็นยังไงจุดเด่นเป็นยังไงวิธีการควรทำาบอกทั้งหมดและที่สุดจริงๆแกเป็นมะเร็งอะไรรู้ไหมมะเร็งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตอนอนายุ78เอ็อไม่ใช่87อายุ87ไปนอนอยู่โรงพยาบาลอาการไปดูแล้วโอ้เป็นมะเร็งระยะท้ายๆฉันก็ไปดู พอฉันคุยกับแกเรื่องตายเรื่องโรคมาตลอดเลยนะเจอหน้าก็คุยคุยคุยจนแกเนี่ยฟังกับคนอื่นไม่พอไปฉันไปหมอไปหาไปในโรงพยาบาลพวกเก้าอกพี่ดีการมาดูดูดูคุยกับหมอเสรฉันก็ไปนั่งคุยกับแกแกดีใจมากแกคอยคือลูกทุกคนเนี่ยแกจะคอยฉันนี่ยพอฉันไปถึงปั๊บฉันไปคุยนี่ยอมพ่อนี่ก็เรียกมะเร็งระยะสุดท้ายนคุยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เกินสามเดือนตายยอวพ่แกก็ สงสัยอย่างนั้นแหละก็ว่ากันคุยหมอเออพยาบาลแล้อุ้ยทําไมคุยอย่างเงี้ยคือจริงๆไ ง, งฉันคุยบอกแกตลอดฉันก็ถามว่าเออเนี่ยถ้ารักษามันยืดได้นะโยมว่าอาจจะหกเดือนไม่เกินปีตายแบบนี้แต่ว่าเนี้ยต้องใช้คเโมอย่างไงต้องบอกวิธีการทั้งหมดเลยนะบอกบอกบอกแต่ถ้าจะรักษาแบบประเภทที่ อ, อกลับไปบ้านก็ได้เอาเครื่องมือเครื่องไม้ไปดูกระงประมาณเสามสี่เดือนก็ครบไปแล้วให้โยมพ่อเลือก จะไปรักษาในกรุงเทพหรือจะอยู่ที่บ้านรักษาตามอาการก็บอกข้อดีข้อด้อยทั้งหมดแต่ลูกก็จะดูแลทั้งสองกรณีแต่ไม่รอดแน่นอนีน่ยมพ่อทนั้นอยู่ที่บ้านดีกว่าอบอุ่นดีกว่าลูกๆได้ดูแลยังไงใกล้จะตายมันก็ตายกันทุกคนนี่พี่ยมพ่อเลือกเองนะ แล้วไม่เปลี่ยนใจนะยอบ้อนเนี่ยไม่เปลี่ยนก็อ่าเครื่องไม้เครื่องมือไปหมดแล้วเตียงเอ้ยที่ช่วยหายใจเอ้ยอะไรเอ้ยนั่นแล้วฉันก็อบลมน้องๆแล้ฉันก็ไปอยู่ที่นั่นปากหลกักบินตาบาดดูแลเลยก้ออาหารบินตาบาดที่ได้เขาต้มได้โจกมาให้ฉันได้ทําบุญบพิงเพิ่มได้ดูแลก็เช็ดตัวให้อะไรให้นอนเฝ้าอยู่ข้าบนลูกๆนอนดูแลกัน ได้ประมาณสองเดือนกว่ากว่าดูอย่างนั้นนะจนผูกพันกันก็จงกับลูกกับอะไรต่างฉันสอนธรามาทุกวันสอนโยพ่อโยพ่อร้องโอยนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้นั่งอยู่อย่างนั้นตลอดนวดกันอะไรสาระบัตทั้งเอาวีทัศน์วิดีโอที่เคยพาไปอินเดียให้ดูให้เลยสาระบัตหมดอธิบายจนใกล้จะตายก็บอกแกได้โยพ่ออยากจะไปชั้นไหนจะบอกวิธีให้ให้เลือกเอาหนึ่งองสี่ห้า จะบอกอยากจะไปดาวดึงทำไมถึงอยากไปดาวดึงพอยอมแม่ก็อยากจะไปดาวดึงเหมือนกันก็แกก็บอกวิธีทํำยังไงแล้วบอกแกจะตายก็แกก็กำหนดที่ตรงนั้นเนี่ยที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมว่าฉันไม่เคยไปห้ามแกเลยไม่เคยน่าแล้วบอกนี่เหมือนกันยอมอย่าใช้วิธีอยู่คนแก่เนี่ยยอมต้องเข้าใจว่าคําว่าแม่เนี่ยคําว่าพ่อ ลึกขั้นว่าเป็นพี่เรามันมีทิฏฐิตัวหนึ่งว่าเราต้องยอมเขามันจะมีทิฏฐิใช่ไหมเราเออเขาเขามีทิฏฐิของเขาอย่างนั้นถ้าเขาไม่ไม่นั่นจริงเขาก็คงไม่เป็นพ่อเป็นแม่เราไงแค่นั้นตรงนี้เราก็โอเคเป็นแม่เป็นแม่แล้วอะไรอ่ะเป็นพ่อแล้วอะไรหรอก็คือเขาก็เป็นไงก็กต้องการอยากให้เราทําตามใจเขาเพื่อทาแต่เราบอกว่า ที่เราทําเนี่ยเราเราต้องการกุศลจากการทําพอมองออกไหมยากไหมทําแบบเนี้ยนี่ยากตรงไหนเปนยากที่สุดคือบใจตัวเองพยายามทำใจตัวเองว่าต้องเรียนต้การต้องเข้าใจไม่ใช่คือจริงๆตรงนี้ไม่ได้บังคับใจเราเลยนะเพียงเราไม่ให้ความอยากมันนําความคิดเราเท่านั้นเองเราให้ปัญญาความรู้ความเข้าใจ โลกและชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจแม่ตามความเป็นจริงเข้าใจพ่อตามความเป็นจริงเข้าใจคนทั้งหลายตามความเป็นจริงถ้าถามว่ายอมอยากให้โยมแหวนเป็นไปอย่างใจยมต้องการไหมยอมทําได้ไหม <c oughs> ย่อมแหวนก็เป็นเหมือนยอมแหวนเป็นไงใช่ไหมที่ยอมแหวนได้ข้อมูลได้ความเห็นได้ทัศนะมุมมองไงยมแหวนก็เป็น ถ้ายมแหวนจะเปลี่ยนยอมแหวนก็จะเปลี่ยนไปตามทัศนคความเห็นมุมมองที่ตนเองได้ข้อมูลอะไรเธอก็เป็นเธออย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นเพราะความอยากของเรานะเนาะยอมนั่งนั่งแล้วยอมบอกว่าอยากให้ต้นไม้มันออกดอกออกดอกยอมลองคิดดูทีแต่มันมีวิธีการนะถ้าต้องการให้มันเป็นนะมีวิธีการนะว่าจะให้ปุ๋ยยังไงลดน้ําวันดินยังไงไปศึกษาข้อมูลยังไงใช่ไหมมันมันมันแก้ไขที่เหตุนนะไม่ได้ไปแก้ไขที่ผลนะ นี่ก็เหมือน ก, นการกรณีที่ยมอยากให้ยมแม่เป็นอย่างนั้นอะ่ะยอมต้องเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยถ้ายอมไปใช้วิธีการแบบนี้มันเหมือนว่ายอมยอมไปอยู่ตรงต้นไม้หรือยอมไปตะโกนอะ่ะให้ออกดอกเดี๋ยวนี้ให้ออกดอกเดยเอา้ายอมไปทำแบบนี้แล้วมันไม่ออกก็ยมก็เครียดอย่างนั้นก็เรียกอะไรเออ เ้ามี เ, าเรื่องเลยเรื่องหนึ่งที่ว่ามีผู้หญิงคนหึงตั้งครรภ์ใช่ไหมในเวลาเนี่ยแต่อยากจะรู้ว่าลูกในท้องเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วมีนว่ผ่าท้องตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ลูกด้วยความไม่ฉลาดฉันใดตายทั้งแม่ทั้งลูกทีเ น, นียใช่ไหมวิธีการแบบนี้เหมือนกันการแก้ปัญหาเขาแก้ด้วยปัญญาเห็นไหมพอเราพอที่จริงที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยคือใช้ปัญญาทำเลยนะเนี่ย และผลผลผลอันดับแรกเลยคือโยมเนี่ยได้ความสุขจากการทำโยมจะได้ความสุขเพราะโยมเป็นเปลี่ยนทัศนคติมุมมองทั้งใหม่ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทําตามความตามตา ม, ตามที่ปัญญาบอกไม่ใช่ทําตามความอยากความต้องการบอกย่อมองไหมคือหนึ่งเราตั้งความรู้สึกว่าเรารักแม่รักมีสองอย่างนะรักแบบตัณหากับรักแบบเมตตาใช่ไหม ารักแบบตัณหาเนี่ยมันรักแล้วต้องการคอนโทรบังคับให้เขาเป็นไปอย่างที่เราต้องการถ้ารักแบบเมตตาเนี่ยมันรักเพื่อจะทำให้ปฏิบัติให้มันรักแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขผูกพันรักโดยชนิดที่เขาไม่ต้องมารักตอบเรารักโดยชนิดที่เขาก็เป็นเขาแต่เรารักที่จะทำให้เขายมใช้เมตตาสิไม่ใช่รักแบบตัณหาจะรักแบบตัณหารักว่าฉันทาแบบนี้แม่ต้องเป็นแบบนี้ เท่านั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้ฉันจะโกรธเนี่ยอันนี้เนี่ยรักแบบมันเป็นตัณหายอมก็ใช้เมตตาสิตันเมตตาแบบรักปรารถนาดีใช่ไหมเรามองเห็นจุดอยากจะทําให้เขามีความสุขไม่ใช่อยากให้เรามีความสุขนะอยากให้เขามีความสุขใช่ไหมแล้วเหมือนโยมดิโยมไม่มีลูกต้องโยมแหวนมีลูกเดี๋ยวไม่เคยทําไม่เคยมีลูกลำบาก ดึกตึกลูกร้องไห้ยังจริงมีลูกใช่ไหมลูกร้องไห้บางครั้งเราง่วงไหมตอนนั้นทำไมเราต้องลุกอะ่ะเราเห็นไหมมันสิทธิเสรีภาพเราควรจะได้นะตรงนั้นเน่ะเราควรจะได้หลับได้เย็นสบายสบายแต่เรายอมสละความสุขของตนเองทิ้งเพื่อมาลุกขึ้นดูแลเขาเนี่ยเนี้ย ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิที่ตัวเด็กจะได้นอนเลยมีความรักของแม่ใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยรักแบบนี้ก็เมตตาเมตตาปรารถนาดีโดยไม่ต้องการว่าฉันรักและทากับเธออย่างนี้แล้วแล้วเธอต้องมาเห็นความดีฉันแล้วเธอต้องเป็นไปอย่างที่ฉันต้องการนะแต่ความรักแท้จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าแม่คนใดไปรักอีกเงื่อนไขหนึ่งจะทําให้เธอทุกอย่างเธอต้องเป็นไปอย่างความต้องการไอ้นี่แม่จะใช้ตัณหาไปรักลูกแทนก็ต้องต้องดูด้วย แม่ก็ไม่ใช่เป็นเมตตาแท้ๆกับลูกสเสมอไปบางครั้งก็เป็นตัณหาเดีย๋ยว ต, ต้องต้องต้องแยกให้ออกฉะ่นั้นในกรณีแบบนี้เหมือนการยอมยอมรักมารักใหม่สรางความรู้สึกว่ารักในสิ่งที่แม่เป็นแม่เป็นทุแม่แบบนี้คือกล้าที่บอกกับแม่ยอมถ้าแม่จะด่าทําไมยอมต้องทุกข์ลึก ทำไมโยมไม่มีความสุขที่แม่ดา่าลราแม่เคยไปตะโกนด่าคนอื่นมั้ยที่เขาไม่รู้จักที่เธอไม่รู้จักที่เธอไม่เคยปลูกพันธุ์ด้วยทำไมเขาด่าแล้วพราเราเป็นลูกถก็ให้ท่านด่าที่ไม่เป็นไรเนาะเป็นไว้ไนะเรื่องมันเสียศักดิ์ศรีมันไม่ดีจะไปศักดิ์ศรีอะไรกับแม่ก็ยกไว้ทั้คนไม่ได้เลยได้ไหม ได้ไหมไมยเกี่ยวกันสอะไรไม่เกี่ยวกันเลยความเสียใจก็ก็ถอดความเสียใจวางไว้ก่อนมาอย่างว่าฉันตอนเป็นเด็กเด็กๆเลยนะให้เล่าให้ฟังนะมันมีเรื่องเกิดขึ้นตอนสมัยมาเป็นเด็กๆ็เล็กๆก็พอจำความได้วิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนคนนึงมีหนังสติ๊ก ไอ้เพื่อนมันมันไปอยู่ไกลๆมันยิงหนังสติ๊กมาโดนหัวฉันเลยหัวแตกเลือดไหลโอ้โหฉันก็นึกไอ้ไอ้ น, นี่ยิงยิงหัวฉันนะฉันก็จะวิ่งไปไปไปไ ป, ไปสั่งสอนเขาเด็กๆนนะโอ้โหทาหัวไปแตกวิ่งวิ่ ง, ว, งวิ่งไปวิ่งไปพ่อเขาพ่อแม่เขาให้ลูกขึ้นไปบนบ้านแล้วก็แล้วเขาคอยกันฉันฉันเองผู้ใหญ่ทําไม่ถูกแล ฉันหอกกังผู้ใหญ่ทำให้ดูฉันก็เลยวิ่งหลบขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วฉันก็เข้าไปในในนะั้นเข้าไปฉันก็ไปดึงแขนเข้ามาไอเด็กคนนี้เขามีมายาเขาแกล้งโหดิ้นชักดิ้นชักแล้วเขาไปไปฟ้องพ่อแม่เขาหาว่าฉันทุบตีเขามันเข้าไปในห้องเขาเขาจะรู้ไหมเล็กๆแต่เด็กเล็กๆแต่เล็กๆฉันจำได้เลยนะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยงานเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ยังไง ร, รู้ไหมเขาก็ไปที่พ่อจ้ เขาบอกวันนี้ไอเด็กคนนี้เกลียดเลยมากเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยฉันนี่แก้ไขยังไงตอนนี้เป็นเด็กโอ้พ่อก็โอ้โหโกรธมากทำไมพ่อทําไมทําไมหนูเป็นคนอย่างนี้เขาก็บอกต้องลงโทษนะลูกเนี้ยลูกทิสัยไม่ดีใช้อาวุธโดนแล้งานนี้ฉันก็เตรียมไม้ไผ่เตรียมเตรียมไม้เตรียมมีไม้กวาดฉันก็เตรียมเอาไปให้บอกว่าพ่อตีเลยพ่อก็ ใ ห, ตตห้ตีต่อหน้าเขาตนะีต่อหน้าเขาเนี่ยแล้วก็กอดอกให้พ่อตีใช่ไหมตีแต่ฉันก็คิดในใจตลอดฉันไม่เคยเสียใจนะฉันมีความรู้สึกว่าเออผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่สอบสวนเหตุผลว่าไ อ, อ้หัวเราก็แตก <c oughs> <laughs> พ่อก็ตีตีพ่อก็ร้ อ, องไห้ไปตีไปเนะตอนนั้นเลยตีตีไม้หักไปฉันก็บอกพ่อเอาใหม่ตีตีอีก <c> เ <oughs> นี่ยฉันเป็นเด็กๆ เ, เลยนะเออแล้วฉันก็ฉันไม่ได้ไปโกรธพ่อเนะย แต่ฉันมีความรู้สึกว่าการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่เนี่ยไม่รอบครอบเท่านั้นเองแล้วฉันนึกในใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะเอาเรื่องนี้คุยให้พ่อฟังแล้วให้พ่อได้เข้าใจความจริงอะไรนั่นก็ไม่เคยบอกพ่อมาฉันมาบอกตอนฉันบวชฉันนั่งคุยให้พ่อฟังพ่อนั่งร้องไห้พ่อไม่เคยรู้ว่าความจริงมันเป็นแบบนี้เข้าใจไหมแต่ฉันไม่ได้เป็นแคะนุ่มโหยมันเป็นปัญหาชีวิตมันเป็นปมฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยมองเห็นไหมถ้ายอมต้องมองเป็นปมชีวิตไหม <anse> เป็นไหมไม่ใช่ถ้าเป็นเจอยอมเจอสถานการณ์แบบนี<อ><ม>้ฉันเชื่อว่าหลายคนโอ้โหรับยากแต่ฉันเป็นคนลักษณะที่ว่าเออถ้าพ่อพ่อกับแม่จะเป็นคนยกตั้งแต่ไหนแต่ไรฉันมองว่าไม่เห็นเป็นไรเลยบางทีพ่อแม่จะไป โอ้ยยกย่องน้องคนนั้นพี่คนนี้เห็นมีปัญหาอะไรแล้ว บ, บางคนนะ้องบางคนเนี่ยพ่อลําเอียงแม่ลําเอียงฉันจะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยไม่มีความรู้สึกเหมือนี่ไม่เห็นมีอะไรใครจะยกย่องใครจะชมสรรเสริญนินทาอะไรไม่เห็นเป็นเรื่องจะต้องไปสะท้สะทานพ่อด่าแล้วก็เป็นเรื่องปกติคําด่ากับคําชมมันก็มันสลับไปมาตลอดฉันเห็นไง อ้าวเมื่อวานยังด่ายังยังชมโลกอยู่เลยไม่วนนันนึงด่าโลกอีกแล้วใช้มันนึกเออเมื่อวานชมวันนี้ด่าเอเดี๋ยวก็ไปด่าเดี๋ยวก็ไปชมอยู่เนี้ยเอยแล้วเราจะไปไปกังวลกับเรื่องตรงนี้ทําไมจันคิดอย่างนี้เลยนะปากไหนที่เคยชมเดี๋ยวปากนั้นก็ด่าปากไหนที่บอกว่าละเดี๋ยวปากนั้นก็บอกว่าชังจริงไหมนี่ฉันเพิ่งมารู้พอโตจริงเห็นความจริง อายอมแหวนน้องนิดตะก่อนเจอกยอมผู้ชายกันไหมมาเป็นไงคุยผู้ชายกันโอเคใช่ไหมตอนนั้นนะแล้วดูเหมือนโอ้โหมันมันจะมันจะไม่มีอะไรพาดชีวิตเราสองคนไปได้เลยว่ามันจะเอาวันนี้ลองดิจะให้ไปจับมือเกี่ยวก้ายเดินกันไปโไบ๊ะไมวแมวทําไมเป็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมว่าชีวิตเนี่ยมันมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเดแต่เพียงว่าเรารู้ไม่ทัน เราเราพัฒนาข้อมูลความรู้ตัวปัญญาไม่ทันสถานการทั้งนั้นเองใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันย้อนกลับไปที่แม่อะถ้าแม่จะดา่าโยไม่ตั้งความรู้สึกว่าด่าได้บ่นได้ก็แม่อย่างเี้ก็วงเล็บไว้หน่อยว่าวงเล็บ ก, ก็ก็บอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่โกรธที่แม่ดา่าจะไม่โกรธกับที่แม่เป็นแบบ สามารถสามารถให้สัญญาในใจนี้ได้ไหมมารความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมไ ม, ไมันทำได้จริงจริงทำได้แต่ต้องทําบ่อยๆในะความรู้สึกตรงเนี้ยพอทําออกไปบ๊บบางทีไปไปมารบอกว่าฉันให้ด่าเบร น, นิดหน่อยนะเ น, นี่ยเบรนี้ถ้าด่ามากกว่านี้ฉันจะโกรธบางคนคือมันไปไปล้อกความเห็นว่าเนี่ยฉันก็เต็มที่ตรงฉันแค่นี้แล้วนะเคยเป็นไหมคือคือแบบว่า ป่อยแบบฟรีสไตล์แกเลยถ้าเธอถ้าแม่จะจะแสดงอาการยังไงก็ได้คือแม่เราะนั้นแม่จะมีบุตแม่จะวันนี้แม่จะหัวเลาะวันนี้แม่จะโบนแม่จะด่าแม่จะหน้านิ้วเขี้ยวขมวดแม่จะแสดงปฏิกิริยาอะไรมาแต่เราจะไม่ทําความหงุดหงิดความขัดเคืองให้เกิดขึ้นเพราะคือแม่เราให้ความรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆยอมว่าได้ไหมได้ทําไม่ไม่ได้เข้าไปกราบแม่เลย ลา่าวบอกรักทุกวันยิ่งแกพูดด่ายิ่งบอกรักทุกวันบอกรักกรอดแม่อะไรเนี่ยทำทำอย่างที่ควรจะทําเนี่ยใช่ไหมหรือกรอดไม่ลง <c oughs> <c oughs> กรอดลงไหมกรอดแม่ลงไมหมนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ยอมทําเออมีคนคนหนึ่งไปที่ไปที่บ้านเนี่ยแม่กับลูกฉันก็คุยเรื่อง คยไปคุยมาลูกเขาไม่เคยทำนะํำเลยแม่อยากกินั่นแต่แม่เนี่ยโอ้เป็นคนที่ไม่เคยแล้วคือมีบุคลิกภาพเดียวคือด่าบน่นกับสามีก็เป็นอย่างนี้กับลูกก็เป็นแบบนี้คือมีบุคลิกภาพเดียวฉันจะเป็นฉันแบบเนี้ฉันก็คุยกับลูกเนี่ยบอกว่าอยากจะบอกรักแม่แต่แม่ไม่เคยแล้วกว็คือแม่เนี่ย แม่บอกว่าการจะทําแบบนี้คือปัญญาอ่อนในความรู้สึกของของแม่คือคนไม่เคยก็ใช่ใช่ไหมเกิดมาเขามีบุคลิกภาพเดียวนะก็แ้ความรักเนี่ยไม่จําเป็นต้องบอกออกมาเธอมีทิฏฐิแบบเนี้ยไม่จําเป็นต้องพูดออกมาไม่ต้องการแสดงมาแต่ถ้าหากโกรธหรือเครียดให้พูดออกมาให้แสดงออกมาดูดูนั้นเธอถึงบอกพูดกับสามีก็ดีกับลูกก็ดีโตบลนด่าว่าตลอด ไม่มีพูดไม่ดีเลยเออไม่มีพูดดีออกมาเลยเธอมีบุคลิกแบบนี้ที่ก็ไปหาจังฉันก็บอกว่านี่ยแบบนี้ครอบครไม่มีความสุขมันโยมบอกว่าไม่ใกล้คิดแม่ใช่ไหมก็ท่านี้แบบเนี้โยมไปทิ้งช่องว่างมานานจัดแล้วเนี่ยทั้งๆในใจจริงๆอ่ะโยมลึกๆจริงๆอ่ะโยมจินตนาการอยากจะกอดแม่อยากจะบอกรักแม่เยอะแยะหมดแหละในใจลึกๆของโยมะ แต่พอไปไปเสร็จแล้วอายุขนาดนี้ยอมเขินแล้วย้อมไม่กล้าทําเลยวจะมายิงไม่จริ ง, รงยังไม่กล้าทําแล้วนะเนี่ยถ้าทำแล้วโหวจริงไหมไม่กล้าทํานะเนี่ยจะไปบอกกอดแม่หมูรักแม่นีโอ้โหไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะทําหน้ายังไงทําแล้วยมไม่จะออกมาหน้าแบบไหนก็ช่างเลย <laughs> <laughs> มันจะออกไปยังไงไม่เป็นไร จริงไหมมันจะออกมายังไงก็ช่างมันจะเข้าท่าหรือไม่เข้าท่าอย่าไปสนใจอย่างนั้นคือจริงจริงไม่จริงเนาะคือตรงนี้อะฉันฉันเนี่ยเป็นคนที่อายตอนเป็นเด็กๆฉันไม่กล้ากอดแม่ตอนหน้าใครเนี่ยฉันไม่กล้าทําแต่ฉันจะไปทําตอนที่แม่นั่งอยู่คนเดียวแล้วฉันจะไปบอกแม่ว่าอย่าบอกใครนะเพราะฉันพร้อมเด็ดเด็ดปุ๊บเนี่ยฉัน คือฉันอยากนอนนู่งตักแม่ยังจะรอจังหวะว่าโอ้ยแม่อยู่คนเดียวเมื่อไหร่นะีฉันไปทํางานพอกลับมาที่โตโตน้อยโตโ ต, ตบ้านแล้วใช้เข้ามาพอไม่มีก็อยู่ฉันรีบไปไปนอนจักแม่นี่เป็นแล้วจะบอกแม่อย่บอกใครนะ <c oughs> มันมันเป็นบุคลิกส่วนตัวของเราไงแต่จริงๆในใจเราเนี่ยเออเราอยากจะเราอยากจะอยากจะบอกเขาอยากจะอยู่ แล้วเชื่อไหมพอฉันทาอย่างนี้ได้ฉันมีความสุขมากแล้วก็พอต่อมาเนี่ยฉันกล้าทาต่อหน้าคนก่อนจะบวชพอได้ทาได้ครั้งนึงโอ้โหฉันจาได้จนทุกคนก็ยงน่าจะได้ใช้โอ้โหอันนี้เนี่ยจะต้่วก็จะตามหลังจากจเจอาง่ อยู่ที่ไหน็พยาบาลค่ะค่ะอาเป็นพยาบาลที่ดูแลคุณแม่เคยทไอซียูอ๋อแลวตอนนี้ไปทางานที่ไหนอียังว่างเพราะจะมีคนป่วยที่ไหนเจค่ะเป็นพยาบาลที่ดูดีมาเ จะเจอคนป่วยจะบอกคุณต่เวล า, า, า, ากาแล้วม่ยากไหมเยอะทกับแม่มคิดว่ายากไไม่ะทำไม่ได้แ ไ, ไม่ต้องไม่เคยคือคืออย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดเยอะเื่อย่าไปคิดว่าต้องทำแล้วออกมาให้ฟอร์มต้องสวยไม่ต้องคือทาเลย มันอาจจะเห็นไหมว่าโยมทําแบบนี้มันเหมือนไม่ใช่ตัวโยมเนี่ยเรื่องอัตลักษณ์เลยถ้าทาลายทิ้งไปเลยอัตลักษณ์แบบนี้มันอัตลักษณ์ขวางระหว่างแม่กับลูกนะทาลายอัตลักษณ์ตรงนี้ทิ้งไปมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันอะไรที่มันขวางเราระหว่างแม่กัทําลายทิ้งทำลายความรู้สึกที่ขัดขวางความรู้สึกที่อยากจะทําดี คารู้สึกอยากจะบอกความรู้สึกอยากจะอะไรเงี้ยยอมทําทิ้งทำลายทิ้งนึ่งใช้อะไรทำลายใช้ปัญญาใช้ปัญญาไปเขี่ยทิ้งทำลายที่งว่เรื่องอะไรเรามีเวลาอยู่กับแม่ไม่นานแล้วใช่ไหมละ่ะเห็นเดือนเนี่ยเราเราเราตั้งท่ามาตั้งกี่ปีเป็นห้าสิบกว่าปีโอ้โห<ม>จริงไหมยอมมีบ้างไหมมีอัตลักษณ์แบบนี้บ้างไห ม, ไมก็ยังกอดแม่อ๋ออ๋ยังได้กอดอยู่ก็ แต่ยัง ห, ดหุดเหวยงกับแม่อยู่ไหมเงี้ยเป็นหนะ่มากกาตอนนี้เริ่มเป็นห่วงเป็นนี่ยังตอนนี้เราเป็นกันียังพอฟังแบบนี้เป็นว่าเป็นยังไงจริงจริจริงๆไม่ใช่ปล่อยนะที่ฉันบอกเนี่ยไม่ใช่ปล่อยป่ากและเลยนะเพียงว่าเบื้องต้นจริงๆริน่ยวางใจเป็นกลางคําว่าอุเบกขามันมันจะแปลว่า มันมาจากคำว่าอีกคาเ น, นี่ยศัพท์เนี่ยมันมาจากคาว่าการการมองการมองดูอยู่ใกล้ๆแล้วก็ปล่อยให้เธอทําตามที่เธอต้องการที่จะทําเพราะเธอทําแบบนี้เธอก็ต้องรับผลการกระทําแบบนั้นเมื่อแม่ไม่กินยาแม่ไม่กินอาหารให้ถูกกับสภาพร่างกายเธอก็ต้องรับผลการกระทำ เธอเองเธอทําเหตุแบบนี้ก็ต้องได้รับผลแบบนี้เธอเครียดเธอก็ต้องมีผลต่อสภาพร่างกายจิตใจอยู่แล้วเธอมีบุคลิกภาพแบบนี้มีทัศนคมุมมองแบบนี้เธอก็จะรับผลการกระทำเราไม่เกี่ยวแต่เราเป็นลูกไงเราก็มีหน้าที่ดูแลแล้วก็บอกให้เห็นปันจจัยไปใช่ไหมก็มองดูอยู่คําว่าคำว่าศาสตร์โลกเป็นไปตามกรรมยองก็ใจคํานี้ เราก็เป็นไปตามกรรมการกระทำของเราที่เป็นเขาก็ต้องได้รับผลการกระทำที่เขาได้รับแต่เราฉลาดในวิธีการที่จะอยู่กับเขาในฐานะลูกแบบเราจะเอาประโยชน์ยังไงประโยชน์ก็คือว่ายังไงเราก็ต้องดูแลแม่ก็ า, าบุญดิแต่ที่ผ่านมาบุญมันคืออะไรบุญมันคือความสุขใจความเอิบอิ่มใจความปราบรื่มใจในการทำสิ่งที่ดี ใช่ไที่ผ่านมาทำไมยมไม่ได้ความปลื้มใจอิ่มใจสุขใจสบายใจจากการทำสิ่งดีทำไมยมได้ความเครียดความกุ้มความทุกข์มาแทนแสดงให้เห็นชัดว่าการกระทำเป็นบุญไหมที่ยอมทำเป็นบุญัหมเป็นไม่เป็นอะ่ะที่จริงการกระทำมันถูกแต่วิธีคิดมันผิดใช่มมันไม่ต้องเปลี่ยนการกระทำเนี่ยแต่เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีการคิดคิดให้มันเเหมือนว่าเมือนเราตักน้ําให้แม่เราต้องข้นขว้าไหมไปหายาจัดยาทําอาหารต้องค้นขว้าไหมต้องข้นควายหรือไม่ค้นขวา้าแต่มันก็ต้องข้นคว้ยใช่ไหมแ ต, แต่มีความสุขไหมในการทําแต่ถ้าร้องตะลืดที่ตักน้ํามาถ้แม่ไปกินไม่ได้แม่ต้องกินเหมือนเราตักเหมือนเหมือนเอาน้ําถวายพระ เหมือนทําอาหารถวายพระเราคิดเลยไปถึงขนาดพระต้องกินน่ะแต่ถ้าสมมตินะโยมทําอาหารอะประเภทที่เอาเอาของทะเลมาให้มันเป็นปลาหมึกเนี่ยเป็นกุ้งหรือเป็นปลาหมึ ก, เ ป, ปมกเป็นปูทะเลเป็นของทะเลทั้งหมดเลยหอ ย, อยิไงนนะถ้าเอามากินแล้วเอามาจะแพ้ทันดีแต่แต่แต่แตแตยโยมบอกโยมต้องการทําบุญเพราะโยมแม่ที่ตายแม่ญาติที่ตายไปเนี่ยชอบของทะเลมาก ยมก็เลยเอาของทะเลมาถวายพระใช่ไมเพราะหวังว่าพระกินแล้วจะได้ได้ได้บุญอยู่ไหมไหคนที่ตายไปได้บุญยอมคิดพวกยมอย่างงี้อวิธีคิดนี่ผิดหรือถูกผิดหรืถูกอะเก็คิดอย่างเงี้ยเห็นมคิดอย่างเงี้ยเอาพ่อยังอยู่ไหม เนี่ยเพราะว่าถึงเราจะไหวทุกครั้งก็จะคิดว่าพ่อชอบทานอะไรพ่อชอบทานอาหารอะไรชอบทานอาหารทะเลชอบกุ้งโอเคแล้วชอบพ่อพ่อชอบเสื้อผ้าแบบไหนธรรมดาธรรมดาแล้วพ่อชอบรถแบบไหนชอบใช้รถใช้ยานพาหนะแบบไหน แล้วบ้านที่อยู่ชอบพ่อชอบแบบไหนว่าอยู่อยู่สบายอยู่สบายอ้าวยอมปลาโลบแค่อาหารอย่างเดียวใช่ไหมแล้วที่อยู่เธเคยปลาลบไหมว่าพ่อจะอยู่ยังไงเห็นไหมเห็นไหมนะเริ่มมีปัญหาเยอะนลยเห็นไหใช่ไหมแล้วกรณีเนี่ยยอมที่ทําอาหารให้ให้พ่อเนี่ยจริงๆวันหนึ่งตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพ่อกินอาหารวลากี่ครับแล้วยอมมองอาหารไปให้พ่อวลากี่ครั้ อาทตยครั้งเดียวแสดงว่าพ่อได้กินอาหารอาทีตละครั้งใช่ไหมถ้าตามความเชื่อของโยมอ่ะใ ช, ใชื่อไหมเออเนี่ยเห็นไหมถามว่าอย่างนี้โยมทำถูกไหมจริงๆแล้วไม่ถูกแล้วถ้ายมอยากจะให้พ่อมีเสื้อผ้าใส่โยมจะทำยังไง นี่ยอมคิดเองหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหม ย, ยอมทำอาหารทะเลให้ถวายพระอาทิตย์ละครั้งเองไงเสร็จแล้วเนี่ยคือให้พ่อเป็นฤาษีไปเลยว่างั้ น, นให้กินอาหารแค่อาทิตย์ละครั้งโอ้โหถ้าพ่อได้ยินตรงนี้พ่อคงรู้สึกโอ้โหลูกทำแล้วขนาด น, นี้ ไมกินอาหาวันละคั้งอีกแล้วทำอาหารจะเลไว้ถวายพระอีกเห็นว่าพระเป็นบุรุภษภัยเสีจะสรงอาหารทะเลไปพ่อใช่ไหมยอมคิดอย่างงั้นใช่ไหมละ่ะเออเ น, นี่ยวิธีคิดอย่างงี้แล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะยอมนะเป็นทั่วประเทศเป็นอย่างนี้วิธีคิดแบบนี้ไม่ให้ไม่ค่อยมีใครให้ข้อมูลความรู้แก่ยมครับใช่ไหมละ่ะจริงๆคืออย่างนี้ยมถ้าอย่างนั้นมันจะมีปัญหาเยอะตอนพ่ออยู่พ่อกินเหล้าไหมไม่ ทานเป็นบ้านก็ไม่เคยกินละสุบบุรีมไหยสุบ แ, แล้วก็เลิกมาสุแล้วไปลพอชอบเล่นการพนนไหมไม่ไ<ง>ไเลยชอบเล่นกีฬาไหมไ ม, ไม่ไม่ชอบเลาไม่ชอบเลาออกกำลังกายชอบอะไรก็จะเดินชอบเดินไปทำไงเคซื้อรองเท้าแตะหวายผ้าให้แล้วพอใส่รองเท้าเลยเวลาเดิน พ่อเสียต้อมีาถามไปด้วยไฟไมหม้หมดแล้วมั้งนี่ย็คิดเป็นแบบนี้จริงวันก่อนไปบ้านยงหนุ่ยง <N ing> ั้นก็นึกเออเอาพากันนั่งอยู่ใช่ไหมคนที่มาจัดเอาศพลงไปในโรงเ่ะแล้วก็บอกว่าให้ให้ใ ห, ให้ลูกๆว่าตาพ่อคุณแม่อันนี้บ้านอย่างดีนะ มาเลี้ยงบ้านอย่างดีอะไรไวลงเล็กเกินเอาบ้านอย่างดีนะคุณแม่ไปนอนให้สบายหลับให้สบายนะเจแม่ก็ตายตั้งนานแล้วไปพูดทําไมแล้วก็นี่เสื้อผ้าแม่เอาไปใส่ในระหว่างเดินทางถ้าเกิดหนาวขึ้นมาแม่จะได้ใส่สำหแม่นะแล้วก็ดอกไม้ ใ, ใส่มือไปนี่แม่เดินทางไปได้ไปไหว้พระเกีเกยรติเจ้จุลาบณีในระหว่างที่เดินทางไปถ้ามีใครมาขอแม่อย่าให้ใครนะคือคือคื อ, คอให้พูดอย่างเงี้ยให้ลูกๆเขาพูดตา พาก็นั่งวังอยู่เพราะไปเจนงใจก็มีคนที่เป็นคล้ายๆสับเบลือเป็นอะไรเงี้ยมันนําให้ลูกๆพูดแล้วก็ถามใครมีเงินไหมเอาแม่ไปให้ให้เอาใส่เอา ใ, ให้แม่ไปแม่จะใช้เงินระหว่างทางเ <c oughs> นี่ยแล้วพาก็นั่งใช้ก็นั่งอยู่ฉ <c oughs> ันก็นั่งไม่เกรใจโอ้ไม่เกรงใจพาเลย <c oughs> <c oughs> เว้ยพวกนี้ก็ทําไปแต่ประเด็นคืออย่างเงี้ยคน จ ร, จริงๆเนี่ยยอมเวลาเขาถวายอาหารเนี่ยเขาเขาคํานึงถึงพราองค์ที่รักว่าอาหารอะไรที่เหมาะกับท่านไม่ใช่หมองกับคนตายเข้าใจไหมเหมือนเหมือนเราต้องการให้พ่อมีมีมีเสื้อผ้ามีเครื่องมุ้งผมเขาถวายยวรสังเกตถูกไมไม่ใช่ถวายยีวรแล้วไปเป็นยีวรไปคุมพ่อต้องใช้แต่ยวรไม่ใช่อย่างนั้น คือแต่ละภพภูมิเนี่ยเหมือนการเป็นมนุษย์เนี่ยประเทศไทยก็ใช้เสื้อผ้าอย่างไรใช่มไมไปเป็นแต่ละประเทศแต่ละประเทศใช่แต่ละชนเผ่าในเทวภูมิแต่ละภูมกิก็จะมีของใช้ตามอัตภากษณ์เนั้นๆการที่เราใช้เอาของที่เหมาะแก่ผู้มีศีลของที่เหมาะแก่ท่านก็จะประโตกแก่ท่านมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เอาของทะเลไปให้พระท่านแค่อาหารทะเลก็บังคับให้ท่านกิน ท่านก็ตายเลยนะแบบนั้นเนี่ยเข้าใจไหมเราต้องดูว่าท่านป่วยเวลลป็นโรคอะไรสุขภาพท่านท่านเป็นเนนเป็นพระหรือเป็นลุงตาหรือเป็นลงุงปู่อะไรเงี้ยสภาพร่างกายของท่านเหมาะแก่อาหารที่เราทําแบบนั้นเป็นการทานอาหารที่เหมาะ ก, ก็จะที่เหมาะสมแก่พ่อแก่าญาติเราเนี่ยมันจะพากฏแก่ท่านแบบนั้นเสื้อผ้าที่เหมาะแก่ท่านรองเท้าของพระที่เหมกกาะแก่พระล่มที่เหมกกาะแก่พระ ของใช้ไม้สอยที่เหมาะที่นักบวชเพิ่งใช้สอยการที่เราให้สิ่งของที่เหมาะอย่างนี้จึงที่ส่วนกุศลนั้นไปให้เหมือนเหมือนที่อยู่เนี่ยเห็นไหมเขาสร้างปุฏิถวายแดชสงวิมานหรือที่อยู่อันเป็นทิพย์ก็ปรากฏหรืออย่างเราเนี่ยเคยสร้างของสร้างสร้างกุฏิถวายเดชสงที่เหมาะแต่สมเมื่อเราไปเกิดหน้าที่ใดเราได้ที่อยู่อาศัยที่เหมาะ แ ก, แก่สถานภาพที่เราเป็นมนุษย์ในที่นั้น น, นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้า mm. คนบางคนเนี่ยที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้สร้างเลยเนี่ยเขามาเกิดพบมีคนทําให้เป็ดเสร็จ mm. เนี่ยไอ้กาลังกุศลมันเป็นไปลักษณะแบบนี้เขาใจะยังมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเจาะ จ, จงเลยตรงโอ้ดังนั้นยี่ยุ่งเลยนะคนค น, คนกินเหล้า <c oughs> ไม่ต้องเอาเหล้าถวายพระ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมสูบบุหรี่ก็ต้องบุหรี่ถวายพระยิ่งยุ่งในพระร่างกายเป็นติดเหล้าติดบุหรี่ติดมากับบนยิ้มแย้มเป็นไงใช่ไหมล่ะ <c oughs> ม, มันของที่เหมาะ มองอย่างนี data, to to ้แ่นไม่เปลี่ยนคะอจายงถามน่อเทีู่แลแม่แล้วก็เป็นหัวอย่างเช่นหัอแนี่ยอะไรแล้วแม่ไม่ค่ะคือหรับนู่ยโชคดูแรแบ่่ก็ต้องปล่อยวางท่แม่จะไม่ก็เป็นคายว่า ก็คือจะต้องไม่ก็อจะต้องทำใจว่าว่าถ้าแม่ไม่ทําแม่ก็ชุมภาคไปแข่งแรงหรือจะป่วยเี่ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าความจริงเนี่ยอืมเราทําเต็มที่ที่เราควรจะทําแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าแม่หรือไม่ใช่เแต่แม่ไม่แต่เราเทนั้ถ้าเราเป็นคนป่วย ถ้ายอมป่วยเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นโรคไตถึงเป็นโรคไตอย่างมันแล้วมีคนเอาอาหารจืดเชืโอดไหมโอ้โหยมจะมีความสุขไม่อยากกินเนี่ยมองออกไหมแล้วก็มีคนคนหนึ่งว่ากินกินที่หมอสั่งหมอสั่งยอมย้อนไม่ได้หมอก็ทำไม่ได้นึกกจริงๆเลยเนะี่ยมารู้จักหมอหลายกนมีหมอคนนึงเป็นโรคไตอย่างอ ม, มาเนี่ย ตายไปแล้วเปลี่ยนไตพร้อมกันหมอทั้งๆ ท, ที่รู้นี่แหละเป็นหมอโรคไตเนียนะแต่เป็นโรคไตตัวเองแล้วก็เนี่ยอาหารต้องไม่เผ็ดไม่เค็มเ้าทนไม่ได้เขาก็กินเขวก็ตายเห็นไหมทั้งๆ ท, ท, ที่รู้หมอเขาพูดตามวิชาการที่เขาเรียนมาแต่มันมีรายละเอียดเยอะเรา ตรงนั้นน่ะงั้นอว่ากันอย่าีแต่ว่าประเด็นตรงนี้ที่ต้องการจะบอกก็คือว่าแม่แม่เคยกินอย่างนี้มาทั้งชีวิตเคยเป็นแบบนี้มาทั้งชีวิตไม่ใช่เราไปตามใจนะแต่เรามองเหตุผลแล้วเราไม่สามารถไปขัดแย้งถ้าขัดแย้งเนจะมีฟังจะก็อกระทบกระทั่งกันความสุขก็จะไม่เกิดทั้งเขาและเราวิธีการก็คือว่า เราจะได้ความสุขยังไงจากการดูแลนี่ก็อย่างที่บอกไงความต้องการของเราเนี่ยวางไว้แล้วก็ให้มีความสุขกับการได้ทำแล้ได้ดูแลนี่อย่างเมื่อกี้โยมแหมนที่บอกว่าเราก็ปล่อยวางคำว่าปล่อยวางก็คือแปลว่าจริงๆคือจะพูดคำนี้ก็ได้บอกว่าเราอย่าไปกํากัดท่านว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็บอก หมอให้ทำอย่างนี้แม่แต่ว่าหนูรู้ว่ามันทำยากถ้าเราพูดอย่างนี้แม่จะรู้จะดีว่าเราเป็นพวกเป็นพวกแม่ก็จะใช่ไม้มไม่ใช่พวกหมออันยิ่งนะแม่จะเออจริงถ้าเป็นหนูหนูก็กินยากมออแม่ก็ทำอย่างที่แม่ต้องการแล้วก็คิดว่าแม่ไม่ทรมาน แม่จริงๆเนี่ยหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆนะบอกตรงๆกันนะหนูลักแม่แต่ถ้าแม่มันไม่ไหวจริงๆแม่ก็หนูไม่ว่าหรอกเพราะว่ามันชีวิตของแม่แต่หนูไปกํากับแม่ก็ไม่ได้แต่หนูมีความสุขที่ได้ได้ดูแลแม่หนูอยากดูแลแม่หนูจะหนูจะมีความสุขจากการได้ดูแลแม่แม่ไม่พอใจอะไรแม่บอกบอกได้กับลูกคนนี้ หมูพยายามจะปรับปรุงแก้ไขอย่างที่แม่ต้องการถ้าพูดลดทนลงอย่างเนี้ยแม่ก็จะมีความรู้สึกยังไงโอ้ยเขาจะมีความารู้สึกว่าไอที่อยากให้มันเป็นมาตั้งนา น, นเพิ่งเป็นตามใจเราวันเนี้ยเข้าใจอยังเขาโ oh, อ oh, oh, oh, oh ้โหกว่าจะชนะมันได้เนี่ยคือจะตายไปมันจะเขาจะคิดอย่างจริงๆนะเขาจะมีความรู้สึกโอ้โ oh, ห oh, oh, ในวันนี้เราเขาดีใจมาก แล้วก็าเขาบนเขาเขาจะโอ้โหแต่เนี้ยเขาแสดงอัตราตัวตนเขาใหญ่โตอะไรแต่นี่ไม่เป็นไรและที่สุดจริงๆเนี่ยไอ้ความที่เขาเริ่มเห็นไหมเขาเชื่อเลยเขาเริ่มศรัทธานในเราไอ้ที่ผ่านมาในความศรัทธานในเรามไม่มีความเชื่อในเราตอนนี้เขาจะเริ่มนะไอ้ น, นี้เป็นวิธีการที่เราเจริญกุศลของเราเนี่ยและโยมไม่มั่นใจในข้อแรกคือยมต้องศรัทธา มันยอมศรัทธาพระเจ้าใช่ไหมแต่ถามว่ายมศรัทธาในความดีนะแล้วถ้ายมศรัทธาในความดีในตัวกุศลเนี่ยยมทําความดีแล้วเชื่อไม่ว่าความดีเนี่ยเป็นเกาะคุ้มครองยมไม่ต้องไปให้ใครมาคุ้มครองหรอกไอ้ความดีที่โยมทําจะเป็นพลังนะลองทําเนี่ยยไม่ใช่ลองทำํยทำยมทําเลยความดีเนี่ยแต่ให้ทําด้วยใจที่ดีนะที่ผ่านมายมไม่ได้ทําด้วยใจที่ดีจึงไม่เรียกว่าความดี ถ้าความดีจริงๆทํำด้วยจิตที่ดีด้วยจิตที่ฉลาดจิตที่อ่อนโยนจิตที่เป็นไปกับเมตตารักปรารถนาดีจิตที่เป็นไปกับกรุณาสงสารที่จะปัดปลดเปลื้อนความทุกข์ให้กับมันไอ้ทํำด้วยจิตแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความดีความดีอันดับแรกมันรักษาอะไรรักษาใจยมไม่ดีแล้วก็ทําบุคลิกภาพดีๆของโยมให้ออกมาแค่โยมได้สองระดับเนี้ยถือว่าโอเคที่สุดแล้วชีวิตนะ หนึ่งใจได้สภาพจิตที่ดีกลับคืนมาสองได้บุคลิกภาพที่ดีกลับคืนมาสีหน้าแววตาบุคลิกของโยมจะไม่เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยนี้เพราะเพื่อนเห็นพบเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปดูล่าเริงผ่องใสสดชื่นเนี่ยเนี่ยคำพูดคำจาจะออกมาในรักน้ำการอ่อนโยนนันดีเนี่ยโยมได้ดีสองประการแล้วก็ทำฉลาดในการที่จะทำปฏิบัติตรงอย่างที่บอกเนี่ยบอกว่าเนี่ยยา จัดยายให้แม่ปุ๊บเนี่ยแม่ไม่อยากกินแล้วบอกแม่หนูจะจัดทั้งวันนะแม่อย่าเครียดแต่แม่ไม่กินก็ได้หนูไม่กัวแต่การได้ทําหน้าที่เห็นเป็นกุศลที่แม่ที่ลูกพึ่งปฏิบัติต่อแม่แม่จะไม่กินก็ได้อย่างเช่นแปดโมงเนี่ยแม่อาจจะไปกินสิบโมงก็ได้สิบสองโมงก็ได้อะไรก็แล้วแต่หรือกินเย็นทีเดียวก็ได้ แต่ข้างในของเราก็ต้องคิดอย่างนั้นใช่ใช้คิดอย่างนั้นคิดไม่ใช่ไม่ใหม่เนี่ยมันอาจจะยังคิดไม่ได้แต่ให้ให้การกระทํานําร่องก่อนก็ได้ <c oughs> บาง <c oughs> ทีอ่ะมันได้แต่รูปแบบใจมันยังคุนคุนอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกไปเดี๋ยวก็ได้แต่เราต้องฝึกถึงถึงถึงเนื้อในต้านจิตใจให้ได้จนแม่รู้สึกว่าเออคงทีเขาอยากจะแกล้งเราในเะม่ จะดินกูอย่างเงี้ยกูจะเป็นกูอย่างเงี้ยอะไรอย่างยิง่งแม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะ ม, มันวัดกันเลยนะวัดวัดกันเลยแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆๆจนเรามีความสุขนะครับก็บอกแม่ว่าอาการแม่ซุดลงซุดลงแล้วก็บอกแม่รีบดูแม่ไม่เป็นไรเฉยตอนเนี้ยถ้าแม่จะแก้ไขในการขับไปกินยาอีก ก็คงจะพื้นได้ไม่เท่าเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแม่ชีวิตทุกคนก็ตายเหมือนกันตายก่อนตายหลังทั้งนั้นเองแต่หนูจะดูแลแม่จตพีนะ่เนี่ยนักเข้านักเข้าพอแม่กลัวตายต้องกินยากจะกลับมันกินยาแล้วก็จัดให้ตามปกติก็จัดให้ตามปกติก็ไม่ไ ป, ไ, ปไม่ไปส ก, กิบแผลแม่บางคนเนะ่ยขุดเลยนะ โอ้ยก็ได้จังหวะโอ้โได้จังหวะเหมือนให้รอมานานแล้วอีกแบบเนี้บบนะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงรอจังหวะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ่นที่เต็มที่ห้ามไอ้วิธีคิดอย่างเงี้ยอย่าไปห้ามเด็ดขาดเข้าใจไหมเรากลับพูดเห็ใจแม่แม่ถ้าเป็นหมูหมูก็คงเยอะทายากก็เข้าใจแม้แม่ไม่เป็นไรหมูเป็นเพื่อนแม่ตลอดแม่แม่ทุกหมูก็ หนูก็ร่วมร่วมทุกข์กับแม่ด้วยไม่ใช่ทุกข์ทางใจนะคำว่าร่วมทุกข์ก็แปลทุกข์ทางกายโดยการที่เราไม่นอนอัตลักขับตานอนเนี่ยไม่ใช่แม่ทุกข์ใจแล้วก็ร้องไห้ตามแม่ก็ร่วมสุขร่วมทุกข์เนเรื่องกันนะคำว่าร่วมทุกข์ในที่นั้นร่วมทุกข์ในที่นั้นคือเจอทุกข์แล้วร่วมแก้ปัญหาแก้ปัญหากับแม่โดยชนิดที่เราไม่เป็นทุกข์เรามีความสุขในการที่แก้ปัญหา เข้าใจอห้ยังว่าวิธีการปฏิบัติธรรมมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าพ่าแม่เป็นทุกขนน์ก็นอนดิ้นนอนร้องไม่ใช่อย่างนั้นเลยเขาเรียกว่าวางร่วมสุขร่วมทุกข์เสมอต้นเสมอปลายความหมายว่าร่วมแก้ไขไปัญหาพอแม่มีความสุขเราก็สุขกับแม่พอแม่มีความทุกข์ก็ร่วมแก้ไขไปัญหาแต่ไม่ใช่เราไปทุกข์ใจกันเพราะเราเพราะว่าเราจะไปทุกข์ใจได้งไงใช่ไหมถ้าเราทุกข์ใจเราก็เป็นเป็นบาปสิ ก็ทุใจเป็นอกุศลเป็นบาปเนี่ยจิตไม่ดีดีใช่ไหมแล้วก็ฝึกของเราเนี่ยให้เข้าถึงความถ้าบอกเอ๊ะแล้วแม่ป่วยอยู่แทบตายเราจะสุขใจได้ยังไงอยอมมองออกหมเพราะทางโลกโลกเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าแม่ถ้าแม่แมแมทุกข์แม่ป่วยเนี่ยลูกต้องร้องไห้มันไม่ใช่ลูกต้องมีกําลังใจต้องเข้มแข็งต้องมีความสุขที่ได้ดูแลเต็มที่อะไรย่าง มีความสุขมีความแข็งแรงทังด้านจิตใจแล้วก็มีปัญญาเพียงพอต่อการที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นๆตามสมควรที่จะแก้ไขที่สุดจริงๆถ้าแม่จะแม่จะตายแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้กับแม่ได้ก็บอกทางสวรรค์แม่นับถืออะไรอ๋อแม่เป็นคลิปเค้งคัดหมอืมพอประมาณ ก็ให้เธอลึกถึงความดีอะลึกและลึกถึงความดีเป็นไงเอ่ยยอมเริ่มชัดเจนไหมมีอะไรติดขัดอีกไหมตรงไหนที่คิดว่ามันยากยอมอาจจะไม่เคยมีมุมมองวิธีแก้ปัญหาแบบนี้มาใช่ไหมหลักการในคาสอนพรทเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้ยกไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นหรือให้ทําอย่างนี้สังเกตดูไหม พระเจ้าจะสอนตามหลักความเป็นจริงของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของความโลภแก้อย่างไงธรรมชาติของความโกรธแก้อย่งไรธรรมชาติของความหลงแก้อย่างไงถ้าคนบางคนมีโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นอัธยาศัยอย่างเนี้ยเออเราจะแก้ไขคนประเภทนี้อย่างไรอันดับแรกจริงๆเห็นไหมว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นคนโกรธเราจะโกรธ ต, ตอบนี่วิธีการนี่ผิดเช่นเวลาเขาโกรธเนี่ยทางโลกโลกเขาจะแก้กันว่าถ้าใครโกรธแรงกว่าคนนั้นชนะ สังเกตดีๆถ้าต้องการชนะแม่ถ้าแม่ขี้โกรธเนี่ยโกรธให้แรงกว่าแม่เจ้าฮะทั้งโลกเขาใช้วิธีการอย่างนี้แม่การเปคน ก, กดดันหนาะไปเลยเนี่ยลองดิลองโกดแม่พอแม่โกรธโกรธเงี้ยขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาได้ลองดูดิหรือว่าจุดไฟเผาอะไรต่อหน้าแม่เลยรนี่เผามันนี่หมดที่โอ้ดีแม่กลัวเลยดีวิธีการแบบนี้ทั้งโลกเขาใช้กันแต่พระเจ้าชนะความโกรธ ด, ด้วยการไม่โกรธ ชนะคนโลภด้วยการให้ด้วยการแบ่งปันเห็นไหมเ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช้วิธีชนะคนตหนหีด้วยการให้ด้วยการให้ไม่ใช่ว่าชนะคนตนหีด้วยการให้โอ้จะมีคนตหนหีมายกบ้านให้เขายกทรัพย์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วอันดับแรกก็คือให้ให้ใหความปลอดภัยเขาคือให้ความรู้สึกที่ไม่เบียดเบียนเขาอย่างนี้เป็นต้นให้ข้อมูลความรู้เขาให้ทัศนะบูรณาการเขาอย่างนี้ไป็นตน คนที่เขามีความตนันหนีจิตเขาคับแคบนียจิตเขาหวงเห็นไหมแล้วก็ให้ข้อมูลเขาว่าเขาในการที่ตันหนีนะมันเป็นทุกข์ยังไงสภาพจิตมันไม่โปร่งจิตมันไม่เปิดกว้างมันอึดอัดคับข้องยังไงบอกวิธีการชนะชนะเขาด้วยการให้ให้ข้อมูลเขาให้ปัญญาเขาให้ทัศนปติมุมมองกับเขาให้ถูกต้องต่างกับมันทีินีเลยยากไหยโยมโยมเอาไปฟังบ่อยๆนะ เดี๋ยวให้พระท่านที่คุยมาทั้งหมดเพราะมันเยอะอะเมื่อกี้จะมามมยออต้งาทได้ดลยออกมั่นใจนะยอมดูแลพวกมันดูแลใครดูแลคุณแม่ค่ะและเป็นไงไหมบางวันก็อุดอัดบางวันก็เราเราหรือแม่ ทั้งสองเป็นี้เลยเพราะอะไรก็อ่านไหมก็อยากที่อาจารย์ให้ชื่อมาอยากให้คุณแม่ทำตามที่หมอสั่งเพอาการไอ้ที่จริงคุณสมบัติของคนที่จะดูแลผู้ป่วยบางที่เราไม่มีเนาะแล้วที่พูดมา4ข้อเรามีครบไหมฉลาดในเรื่องยา รู้เรื่องยาคําว่าฉลาดในเรื่องยามเกี่ย ว, วเรื่องอาหารด้วยเนื้นอมันจะมันลามไปถึงเรื่องของสแสลงแล้วไม่ของสแสลงข้อที่สองด้วยเนี่ยก็คือฉลาดในการที่ว่าให้ยาประเภทนี้ไปแล้วเป็นยังไงให้ให้วิตามินประเภทนี้แลเป็นยังไงแล้วรู้ว่าแม่ขาดสารอาหารประเภทไหนคือรู้รายละเอียดขนาดนั้นพวกนี้ต้องต้องหาข้อมูลค่อนข้างดีเนี่ยในข้อหนึ่งข้อสองในข้อที่สามก็ไม่ลังเกียจ ท้าแม่จะออนอนยังไงเ อ, อ่ยบน่นว่ากล่าวยังไงต่างอะไอย่างนี้ไม่ลังเกียจเลยนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่โสกโปกทั้งด้านทางวิทยาศาสตร์ศาสตแม้กระทั่งการฉุนเฉียวขี่บน่นจุกจิกเทีวเที่ยวใช่ไหมคือทั้งด้านไม่ว่าจะเป็นของโสกโปกข้างนอกหรือภา ย, ภายในที่กิเลสในใจก็ยอมรับได้ยอมรับได้ด้วยปัญญา อดทนเนี mm ่ยคำว่าอดทนโดยนั้นแปลว่ายอมรับใจ้ดยปัญญาพรรู้วิธีการมันกระทบมาข้อที่สี่ก็คือฉลาดถ้ารู้ว่าแม่โกรธจะพูดยังไงให้ใหแม่หายโกรธมันฉลาดในการที่จะพูดให้เขาหายโกรธได้ด้วยรู้ว่าแม่ท้องหงุดหงิดทั้งหลายพูดยังไงให้ใหแม่เกิดความสงบใจแม่ถูกทุกขเวทนาครอบงําจะพูดยังไงให้แม่คลายจากทุกขเวทนาแล้วมีกําลังใจในการจะต่อสู้ต่อไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดเหล่านี้ที่ได้ข้อมูลได้ไม่ต้องการจากการฟังนะ การฟังข้อมูลที่ถูกต้องเนะี่ยมันนึงจะสามารถไปเป็นคนดูแลผู้ป่วยเป็นต้นนดนี่คือคุณสมบัติของคนที่จะอยู่คนป่วยใช่ไหมนี่คุณสมบัติของผู้ป่วยก็ว่า อ, อย่างว่าวงค์คุณของผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยก็ต้องรู้ว่าอะไรสัปายะไม่สัปายะเนี่ยต้องรู้ใช่ไหนะรู้ของแสลงไม่แสลงทั้งหลายก็เหมือนกันต้องไม่เอาใจใจตัวเองเป็นต้นเหล่าเนี้ไอ้ทีนี้บางทีแม่ไม่รู้พอแม่ไม่รู้แม่ทาถ้าแม่ไม่รู้ทีเราก็เอา คำสอนของพระพุทธเจ้าแม่รู้ไหมพระพุทธเจ้าสอนบุคคลที่เป็นผู้ป่วยยังไงว่าคนปฏิบัติยังไงคนที่จะดูแลผู้ป่วยเป็นยังไงเนี่ยหนูกําลังฝึกอยู่นะเน่ยคุยกับแม่เนี่ยหนูหนูบกพร่องข้อไหนรูกไหมแม่เนี่กยก็ไล่ให้แม่ฟังสี่ข้อใช่มไหมในข้อแรกเนี่ยแม่แม่ว่าหนูเป็นยังไงการปรุงยาให้ยากับแม่ หนูเป็นคนให้ยาได้ถูกต้องตามเวลาไหมให้ดีไหมไม่ใช่ให้แต่ยาอย่างเดียวหนูใช้คำพูดกับแม่ดีไหมบอถามแม่อย่างนั้นแม่ก็บอกว่าหม่บางครั้งก็ดีบ้างมันไม่ใช่แค่ให้อย่างเดียวใช่ไหมเขาเรียกว่าให้ทางทางทา ง, งการกระทาไม่พอคาพูดแม่จะากินยานะสมมติเห็นไหมพูดพูดยาก็น่ากินเลยนย ใช่ไมไม่ใช่แม่กินยาฟังแล้วไม่อยากจะกินเลยเียเวลาจะให้ยาให้แม่กินยาพูดยังไงแม่ทานยาใ่พพูดยงงี้พูยินยิ้มยามมย่มใจหบางวันก็ยิ้ยมบางทีแม่กไม่อาทานอาหารไม่อยากทานยาจนกระทั่งสก็เป็นเรื่องปกติโอ้โหเราต้องคิดคนที่มันอยู่กับป่วอยอยู่กับยาเห็นยาก็เซ็งแล้ว งทีมาเป็นกำกำนี่ามาเนี่ยอยู่กับยามาลูกไงมาแล้วโอ้โหกินยาหรืออาหารนะมาตั้งครึ่งถ้วยตอนสมัยก่อนที่ป่วยหนังๆยาครึ่งถ้วยเลยนะนึกมันแค่กินกินไปไม่เห็นจะมีผลอะไรเลยหมอก็กอกแต่ยาอยู่นั่นแหละกินเข้าไปเฉยๆหมดแล้วไม่รู้เรื่องนะ ยังไม่พังหมดเลยข้างในมานึกอย่างนั้ น, นตายตับเอ้ยปอดเป็นพังหมดแล้วมั้งใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคนม ค, คนแก่อบางทีเขาคิดว่าเอวกินเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องกินตลอดชีวิตเลยนีแต่เชื่อไหมคนแก่กินยาตลอดชีวิตแล้วก็ตายไปกับยาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นกันอย่างนี้นทุกวันนี้เราก็อาหารไงก็คือยาอันเดียวนั่นแหละ แเราก็ต้องกินยาเหมือนกันเพอร์เออไม่เรียกว่ายาเลยไม่เคยเส็งเท่าไหร่ใช่ไหมลองลองไปเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นบอกว่ายาที่โอ้โหอาหารก็คือยานั่นแหละยงแต่ประเด็นคือเห็นไหมว่าอย่างพวกเราเนี่ยนัดไปทานเลี้ยงโอ้เราอยากไปกันนัดไปกินยากันหน่อยผมไม่มีใครอยากไปเลยใช่ไหมถ้าวันหนึ่งถ้าเรารู้ความจริงว่าอาหารก็คือยา เพราะไอสารวิตามินที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ก็ยาทั้งหมดไอส่วนที่ส่วนนั้นก็ขับออกไปแต่ยาก็คือรสกัดให้มันเป็นแต่พวกตัววิตามินลแล้วค่นั้นเองถ้าใจริงพวกเราเนี่ยคือพวกป่วยแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องบอกแม่ให้เข้าใจด้วยนะแม่ทุกคนในโลกเนี่ยป่วยหมดเพราะว่าพราะพระพุทธเจ้าบอก ไม่ใช่พระเจ้าคิดเห็นนะแต่ความจริงคือเรามีโรคพื้นฐานอยู่เนะี่ยหนึ่งเย็นกับร้อนธาตุในร่างกายธาตุดินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลมเนี่ยที่มันไม่ได้ดุลยภาพเดี๋ยวก็เย็นเกินไปเดี๋ยวก็ร้อนเกินไปตลอดนั่นคืออาการป่วยมันมั น, ม, นมันกําเริบนั่นไม่มีเลยเนี่ยเห็นไหมอยู่นอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนี้นยอยู่ตลอดนั่นคืออาการป่วยมันกำเริบ น, นะแม่นะบอกเขาเนี้ยสองหิวหิวข้าวหิวอาหาร กระหายต้องดื่มต้องิบตลอดนี่คือมันก ำ, ำเริบเสาะซีแล้วนะอยูกับกระหายอีกคู่หนึ่งก็คือถ่ายอุจจาระและปัสสาวะนั่นคือโรคมันกําเริบตลอดไม่มีเวลาใดเลยที่โรคกายนี้จะไม่กระสับกระสายกายนี้กระสับกระสายเป็นนิดไตทํางานตลอดตับทํางานตลอดหัวใจทํางานตลอดปอดสภาพร่างกายทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ตายเนี่ยเพราะกุศลยังมีกําลังอยู่เท่านั้นเอง ก็บอกแม่รู้ความจริงว่าป่วยทุกคนอาหารก็คือยาแต่ว่าที่สกัดว่าเป็นเม็ดไว้แล้วเนี่ยก็คือให้สะดวกแค่นั้นเองถ้าโบราณจริงๆก็นู่นเนี่เอาเอาอะไรมาต้มใช่ไหมก็เอาเนี่ยเอาไม้เอาผักเอาอะไรทั้งหลายมาต้มต้มต้มมากินกันเดียวกันอะไแต่เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาก็เลยทําสกัดมาเป็นเม็ดมันง่ายขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดมาในโลกใบนี้แล้วไม่มีใครเลยที่ไม่ป่วยเดี๋ยมากเลยน้อย หนูก็ป่วยแม่ก็ป่วยแต่หนูเนี่ยยังยังสภาพที่ยังพอทนไหวดีกว่าแม่แม่เนี่ยอาการหนักหน่อยแค่นั้นเองเดี๋ยวหนูก็จะเป็นอย่างแม่เหมือนกันฉะนั้นผู้ป่วยต่อผู้ป่วยอยู่ด้วยกันให้เห็นใจกันเอาใจมาเอาถ้าบอกเนี้ยอันนี้นี่คือความจริงนะกดความจริงนะครับว่าป่วยใช่ไหมเราและรู้รู้จักพอพูดอย่างนี้แม่มีกําลังใจไหม แม่ก็โอเคมีกําลังใจครับผมแม่แม่บอกโอายเหนื่อยตาเมเนื้อต า, อางตัวเหนื่อยหมูก็เหนื่อยเนี่ยใช่ไหมแต่มันไม่พูดแค่นั้นเห็นไหมมันมั น, ม, นมันป่วยกันทุกคนนี่คือความจริงนะป่วยทุกคนเดี๋ยพอบอกให้แม่ได้เข้าใจแล้วเราก็รู้ว่ายาของแสลงแล้วเป็ของสลงแล้วก็แม่ต่อไปแม่ช่วยตัวเองไม่ได้ไไเลยไม่รังเกียรรังเกียร์ไหมแม่ถายอุจจาระปัสสาวะ จำเก็บไหมถ้าจะเก็บอย่างนั้นจำเก็บไหทำคนได้แต่ไม่เคยทำเลยยังไม่ไม่ป่วหนถ้าเป็นถ้าเป็นขนาดนั้นกล้าทำ อ, อ๋อดีก็วางใจไว้ น, นี้เป็นคุณสมบัติของผู้ดูแลผู้ป่วยทั้งบมดเหล่านี้ก็อย่างที่บอกถ้าเราฉลาดในการที่จะบอกในการที่จะจัดแจงอะไรทั้งหมด เราสามารถจะอยู่กับเธอได้ทั้งหมดเหล่านี้นมั็นมเป็นวิธีการล้วนๆเลยที่พูดทั้งหมดเหล่านี้แต่เผอิญเราเราขาดตัวเนี้แล้วเราก็จะใช้แต่วิธีการแบบเดิมๆของเราแล้วจะเอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้แล้วก็ใช้หวัวชนฝากันอยู่เงี้วิธีแก้แก้ปัญหนาซึ่งไม่ถูกพ่อว่าไงมันแก้ได้ยอม่ายากนะ ต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ยากมันทำได้ใชถ้าเราเรามีใจที่จะรักที่จะทําเพราะว่าเออฉันคือ ท, ทั้งหมดเหล่านี้ฉันฉันเคยเคยทําหน้าที่นี้มาเวลาฉันอยู่กับพระเถร่าที่ป่วยเวลาดูแลก็อันเดียวกันนก็ต้องทำทุกอย่างทั้งเอากระโถนไปทิ้งท่านถ่ายลงกระโถนอ่าปัสสาวะลงกระโถนอย่า น, นีลงหม้อไปลง น, น ไปไม่ได้ที่ก็ให้ท่านาทำฉันก็ดูแลที่ก็ทำทั้งๆไม่ใี่พ่อแม่แต่ว่าเรามองเป็นครูบาอาจารย์นะครัดูแลมาตลอดฉันฉันฉันกับดีใจที่ได้ดูชื่นใจที่ได้ดูแล้วมีความสุขในการดูด้วยเพราะฉันจเจริญกุศลพระเจ้าบอกว่าโยพิกเวมังอุปัฏฐหิยะโซคีลานาุปัฏฐหิยะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอปราถนาจะอุปถาเราตถาคตขอให้เธอทั้งหลายจงอุปถาภิกษุไข่เธอโอ้เพราได้ยินนี้ฉันชื่นใจโอ้เนี่ยเราได้อุปถากเขาได้ได้ดูแลเห็นไหมก า, การดูแลพระป่วยเนี่ยไม่ต่างท่างกับชื่นใจที่ได้ดูที่จะเกี่ยวข้องเป็นเหมือนกับ เ, เ, เวลาพระเนร์นอยู่ด้วยกันเนี่ย สมมุติท่านไหนป่วยก็หน้าที่ฉันต้องดูแลต้องไปนวดไปอะไรกันสารพัดทากันอย่างนี้เลยนะยดูแลกันแค่นันอ่าเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ถือว่าโอ๊ยพระเถระห้ามดูแลเอพระบวชใหม่ไม่ใช่ต้องดูแลกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างดูแลแล้วเขาไม่รังเกียจกันเพราะเราเป็นคนบวชเข้ามาแล้วไม่มีพ่อม่มีแม่ถ้าเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูพระเจ้าว่างีถ้าเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดู ก็ต้องดูแลกันป้าก็ต้องดูแลกันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งก็งดูแลกันอย่างนี้น <c oughs> เห็นไหม้าดูอยเห็นเขาใจะให้ห่า ง, อ, อ, างอันนี้พ่อแม่เราทำไมจะดูไม่ได้ใช่ไหมเป็นหน้าที่เราต้องดูดุยอมยอมไม่มีความสุขหรือที่ได้ดูมีไหมศุขไหมปิตีเกิดไหมข้าเกิดพ่อแม่ไม่ ทำไมทํไมไปตั้งพ่อแม่งั้นเลยนี่ยอมเยตะเลิดที่้อเอาให้เราได้มีความสุขจากการที่เราได้ดูสิอยอมเวลาเวลาตอนตอนพ่อแม่เ็าเลี้ยงลูกเนี่ยลูกกล็ล้อมองแง่งแ ง, ง่ในลูกแม่ก็มีคมวามสุขได้ แล้ลูกถ่จจรปัสะวะเนี่ยแม่เก็บอุจจระปัสะวะทำไมแม่ก็ไม่เห็นทุกข์ใจเลยทีนี้พอแม่จะมาถายจจระปัสะวะบ้า ง, งองแงบ้างพูดไม่รู้เรื่องบ้างเอ๊ะทำไมทําไมเราต้องไปตั้งข้อแม่กับแม่ทําแม่ให้ตั้งถ้าพ่อแม่ตั้งข้อแม่กับลกูกโอ้โหยุ่งแนะนับตั้งแต่คลอดออกมานี่นะต้องคุยรู้เรื่อง มันจะรู้เรื่องไหมเด็กคนนั้นเนะี่ยไม่รู้เรื่องนะไม่รูร้แล้วบางทีเด็กเนี่ยทําอะไรเราไม่เคยโกรธเลยนะใช่ไหมพ่อกอดนั่นยดีโอ้โหลูกเขาอเอาเท้าขีดเนะี่ยถีดหน้าพ่อแม่เนะออดีใจเฉยถ้าวันนี้แม่กับถีดหน้าเราอย่างงั้นสมมตินนะดีใจไหมดีใจได้ไหม ไม่ได้เออตอนนั้นทำไมพ่อแม่ก็ดีใจพ่ออะไร <S <S อเออ น, น, นี่เราก็รักแม่ดีใจมังออกไหม <S <S เห็นไหมความรักเนี่ยบางคนไม่ใช่ยังตั้งทายทั้งเลสระพักโอ้โหพ่อแม่ดีใจดีใจในขณะที่หัวลาะออกไปในขณะที่กินอาหารแล้วลูกถ่ายดูสิเนี่ยหัวลาะดีใจเฉยใช่ไหม ถ้าตอนนี้นะแม่ป่วยขึ้นว่าเรากำลังกินอาหารแม่ทายออกมา น, นิใจเลยไหม <c oughs> <c oughs> นิจใจไม่ลงอันเดียวกันเลยโย่จริงๆแล้วเขากลับกลายเป็นเด็กแล้วตอนนี้คือถ้าวิตามินไปหล่อเลี้ยงไอตัวโปรตีนะโปรตีนไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พอมันจะกลายเป็นอัลไซเมอร์คนส่วนใหญ่ที่เป็นอ <c oughs> ัลไซเมอร์เขาราะว่ามีนัก ว, วิทยาศาสตร์ของอิสาราเอลเมื่อเมื่อปีที่แล้ว เขาบอกว่าคนคิดได้ว่าไอ้เป็นอัลไซเมอร์มันมาจากตัวโปรตีนคือร่างกายมันขาดโปรตีนมันก็เลยมันก็เลยไปดึงโปรตีนในสมองมันก็เลยกลายเป็นสมองก็ฝ่อลงก็กลายเป็นอัลไซเมอร์ฉะนั้นวิธีการตรงนี้อย่าให้ขาดโปรตีนก็พอแต่นี้เขาเขาแค่ตรงเนี้ยเขาได้รับรางวัลเลยแนเนยในนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาวางกันเนี่เขาได้รับรงลลหหางวัลแล้วเขารู้เริ่มเริ่จะรู้วิธีแล้วต่อไปอัลไซเมอร์จะหาย มันมาจากเครียดมันมาจากการขาดโปรตีนเพราะว่าร่างกายพอเครียดมากๆร่างกายมันมันดึงโปรตีนเยอะมันก็เลยไปดึงโปรตีนจากสมองมาแต่เขาไม่รู้ไอเครียดนี่ฉันคิดเองนะไม่นักวิทยาศาสตร์คิดแต่เขาบอกว่าโปรตีนมันถูกดึงลงมากระกายสมองกระเล็กๆปอกกระกายเป็นกระกลับเป็นเด็กนี่เองแล้วนี่มันถึงจะไปให้โปรตีนใหม่มันไม่ฟื้นแล้วงั้นพวกเราก็อยากให้ขาดโปรตีนโปรตีนอะไรที่มาเลี้ยงสมองพยยังให้โปรตีนอยอะ สรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่าก็ยอมเริ่มรู้แล้วว่ายอมต้องรักแม่โดยปราศจากเงื่อนไขนะท่องไว้ในใจทำสัญญาไว้ในใจแบบนี้แม่จะเป็นอย่างไรไม่ใช่เงื่อนไขที่ฉันจะโกรธอีกต่อไปฉันจะรักแม่ในสิ่งที่แม่เป็นเท่านั้นใส่ความรู้สึกอย่างนี้ไปบ่อยๆเดี๋ยวยอมจะแก้ไปเองแม่จะเป็นยังไงก็ได้แต่ฉันจะรักแม่และจะปฏิบัติกับแม่ให้ดีที่สุด อย่าไม่ตั้งเงื่อนไขว่าแม่ต้องเป็นหรือไม่เป็นอย่างที่เราต้องการถ้าไปตั้งเงื่อนไขยอย่างนี้ยมจะไม่มีโอกาสปฏิบัติดีต่อแม่เลยยมจะรอวันไหนที่ verses, ยมจะได้ปฏิบัติดีต่อแม่ถ้าในชาตินี้แม่ไม่มีโอกาสาเป็นอย่างที่ยมต้องการได้ยมจะกลับไปเป็นลูกของแม่ในชาติต่ต อ, ตอไปถึงจะไปไปปฏิบ right. ัติดีต่อแม่มันจะเสียสายไปนะให้ทาดีกับแม่เริ่มเลยเอาวันนี้เป็นวันเริ่มตนน้น ได้ไหมใช่ไหมเริ่มตน้นและแต่ถ้าต้องไม่มีเงื่อนไขนะว่าโอ้โหเราทําอย่างที่พระทําแล้วแต่แม่กลับยิ่งไปใหญ่เลยโอ้โหต่อรองใหญ่เลยไงใช่ไหมมันจะมีมุมนี้นะบางคนจะเป็นแบบนี้โอ้โหเรากโอ้โหเราไม่ไม่น่าเชื่อพระเลยพอเรายอมนิดเดียว โ, โหแม่พุ่งพวดไปเอาทุกเรื่องเลยแบบนี้ต้องต้องไม่มีเงื่อนไข ขนาดใหญ่หมัะ้นเธออาจจะมีเธออาจจะคิดโอ้โหมันต่อสู้กันมานานมากใช่ไหมมันย่่งเชิงกันมานานทีนี้พอเราลดลงอย่างเนี้โอ้โหเธอที่โอ้โหเขาปันใหญ่เลยทีนี้เล่นทุกเรื่องเลยเราต้องบอกว่าไม่เป็นไรเราเราเร า, เราทำก็เราไม่ใช่ว่าโอ้โหตายแล้วพอเราไปถอยแค่เก้าเดียวแม่ลุกมาห้าเก้า แต่ก่อนมันย่างสามขุมใส่กันนะได้ใส่ส่วนใหญ่ใช่ไหมต่อไปเราไม่แล้วกับแม่เราเราเราให้เพราะความเป็นบางทีบางทีเราไปตั้งว่าทําไมแม่ต้องเป็นอย่างนี้ทําไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้พอไปตั้งความรู้สึกอย่างเนี้ยมันจะโอ้โหมีอะไรเยอะแยะอย่างกี่ยวไปทาอะไ้จะอย่งกินไงทำมั้ยอ่อเคยอ่ะตอนนี้ อันนี้จะห่างๆนิดนิดหน่อยก็ไม่เชื่อเถอคุณแม่อยากให้านแต่ไ่ลัเยเพราะว่านนเราไดข้ามาคุยกันเม่อไหร่าก็ดีคุ ย, ยคาากัน <c oughs> าา่ายแล้วมันรู้สึกตายว่ะทาแฝแล้วใครใครเริ่มจะร้อ <c oughs> คือมันคุยกันเลนกฟาคุยนะไม่ทราบเหมอใครมันผิดโกั น, นทั <c oughs> ้งสองฝ่ายก็จะไปตั้งความหวังว่าแม่ต้องเป็น ท่านพูดเข้าอะไรก็ต้องฟังๆเลยนะฮะก็เข้าไปก็เป็นตู้เหมือนก็ลูกไปหาแม่มแม่จะบ่นจะว่าอะไรก็ไม่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสทําได้ไหแล้วก็ไม่ต้องไปเถียงอะไรแม่นม่จะว่าอะไรก็ว่าทําตัวเหมือนไอ้หนูเล็กๆที่ยอมแม่ทุกอย่างทําอย่างนีน้ทำได้ไหมก็ผงต้องมสมาธิ ไม่จําเป็นต้องสมาธิก็ทําไปอย่างเรืด <c oughs> ิมปกติธรรมดาเราคืออย่าไปแบบเอาเอาอัตลักษณ์ของเราไปถอดอัตลักษณ์ทิ้งความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยถอดทิ้งให้หมดเข้าไปอย่างผููที่จะให้แม่ว่าใ ห, ให้แม่ว่าแม่บน่นถ้าจะแม่ว่าแม่บน่นแต่อย่าไปตั้งลิมิตไว้นะบิงทีไปตั้งไว้ไงบางคนเนี่ย บอกโอ้โหขอแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนนถ้าเลยจากนั้นไปยังไม่ยอมหยุดเจรดี <c oughs> อย่างเงี้อย่างเงี้ไม่ไได้ไม่ได้ไม่ได้ยอมจริงไะเนี่ยแค่ถ้ามันเหมือนคุณแม่ชิมมนแาทั้เข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ได้คเคลียร์ก็เงียบแล้วกิจะไม่รู้สึกเองว่าเหมือนคุณแม่เองอ่นนะเพราะว่าแบบอ๋อมีละไรหรือเปล่ปาหรืแม่จะรักหรือว่ารักมีลายอยากได้อะไร ลำบากอะไรที่แบบหวฟาเขามานั่งเฉยมาคุยเะไรอย่างก็อกกแต่ตคนแต่ก็นั่งเหมืนทีไม่มีเรื่องคุยะท่ยอย่างนั้นก็เลอกยากสามขมใส่กันนั่นแหละอาการแบบนันลม่อึกอกเลยไปกันนะครอย่างนั้นแหละก็เลอกยากสามขมใส่กันเราไปกันยังมีฟอร์มแม่เ้ามีฟอร์มอยู่แล้วแต่เราจะไปมีเราจะไปมีฟอร์มไปแบบธรรมดาเลยนะแม่จะว่าอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไร กอดแม่อะไแม่ไปเลยใช่ไหมก็อะไรแต่เล็กๆไม่ค่อยทำเลยนี่แหละถอดอัตลักษ์ทิ้งไงเมื่อกี้ถึงบอกไงไม่ห้ามอิ่ก้อนไม่ต้องมีความไ่ตองามเข้าไปกอดแม่เลยจะกอดตอนแม่ตายหรือจะกอดตอนไหนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่หรือตอนท่านตาย ไปกอดเลยกอดทุกวนันถ้ามีไปทุกครัง้งไปกอดเลยถึงแม่จะด่าว่ายัางไงก็ไม่เป็นไรบอกถ้าแม่ทําไมทําอย่างนี้บอกแม่หนูคิดมานานหนูเขินได้ก่อนตอนนั้นตอนนี้ไม่เขินแล้วเดี๋ยวตายก่อนไม่ได้กอดใช่ไหมบางทีหนูพูดไม่ถูกอ่หนูพูดไม่เป็นพูดไปตั้งหลายจนแม่จะขัดเคืองดนะ้วยเนี่ยแต่เนี่ยหนูแสดงออกทางกายก็แล้วกันกอดแม่กอดเสร็จถ้วกลับแล้วแม่ เด <suspense> <spit> <zed> ี๋ยวอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวอัตราตัวตนมันจะเกิดอีกเดี๋ยวมาตั้งหลักใหม่แล้วไปบ่อยๆทำได้ไหมเด้อไปกอดเลยกอดแม่โอ้ต้องให้พาลงดีเทลขนาดนี้จะไม่เคยสอนใกรขนาดนี้ ปกติภาคเขาไม่สอนนี่ภาคเราสอนธรรมดาใช่นี่ฉันต้องยปลงเจาะลายละเอียดตรงหัวทำไมต้องทำไมฉี่ทำไมี่ฉันต้องลงลายละเอียดเป็นหอ้อมแบบี้บอกฉันไม่งมันไม่เห็นโอ้โต้องให้ลงรายละเอียดขนาดนั้นเนี่ยต้องบอกแม่ล้งจากดเสร็จต้องไหว้กี่ครั้งแต่แต่จริงๆแล้วสังเกตย้มจาก ตอ่เป็นคนไม่มีแม่แล้วบอกว่าที่ยังดีมชอบดีมาี่วันนีมาแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนี้พาะถึงเวลาแล้วมันหลายคนคิดว่ามีแม่อยู่อึดอัดคิดว่าแม่ไม่อยู่แล้วถึงอยาก้อื่นนะแล้วมันมันแบบนเสียดายว่าเราไม่มีโอกาสแล้วพอมาฟังพ่อจารย์เนี่ยังคิดเลยว่าถ้าได้ฟังอันเนี้ยเมื่อสิปีที่แล้วก็เป็นอาจารี่สิีด้วย เห็นไหมว่าจริงๆบางครั้งเนี่ยเราเราคิดว่าตอนนี้แม่ทาความอึดอัดรู้สึกแต่คนที่แม่ไม่อยู่แล้วกลับมานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วเราประมาท ก, กันมากเราเหมือนเราจะอยู่กันอีกพันปีใช่ไหมอายุมันสั้นมากวันตายได้ทุกลมหายใจเขา ใช่หล่ะแล้วทำไมไม่ทำเลยล่ะเราทำสิ่งที่ควรทำให้ทำเสียใช่ไหมล่ะเมื่อทำแล้วความดีที่ทำมันเป็นของเราแล้วแล้วทำเยอะๆจะทำมากๆเราเราเราก็เคยมีเราก็มีลูกเนี่ยยำขิงก็มีลูกลูกอยู่ในท้องใช่ไหมเราอยู่ในท้องแม่ แล้ว เ, เราต้องดูแลลูกคคิดดูทีหนึงมันก็อันเดียวกันในความรู้สึกอย่างน้ันัน้นเราแสดงออกต้องกล้าที่จะแสดงออกอย่าไปอย่าไปยึดอัตลักษณ์อัตราตัวตนที่เราว่าเราจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นของเราอย่างนี้ถ้ากับแม่กับลูกอะไรต่างๆเอาเอาทิ้ง อ, อยากให้อะไรมาขวางเป็นเครื่องกัน้นความรักระหว่างแม่กับลูกพราะจะอยให้อะไรมาประก้นเด็ดขาดเอาออกให้หมด แม่ยังอาออกไม่ได้แต่เราต้องออกก่อนเราต้องน้อมข้อหาก่อนใครมีปัญญาก่อนคิดได้ก่อนคนนั้นต้องทําก่อนเห่นไหมล่ะตอนนั้นเราไม่มีปัญญามันคิดไม่ได้มันมีเครื่องกั้นอยู่มันมีทิฏฐิมีทัศนคติปิดไงมันกั้นอยู่ให้ความรู้สึกตรงนี้มันกั้นระหว่างแม่กับลูกออกไปเห็นไหมแล้วก็เอาออกเสียแล้วก็อย่ามีเครื่องกั้นให้เรามีความสุขแค่ไม่ต้องพูดอะไรหรอกแค่เราไปเห็นหน้าเราก็มีความสุขแล้วเห็ไหมแต่คนที่เาอาอักตานตัวตนออก เอาเอาเอาไปเห็นหน้าได้ยินท่านบ่นก็มีความสุขเพราะมีท่านบ่นเราไนงะเราจึงมีรู้สึกว่าเป็นแม่ถ้าคนอื่นมนดาด่าเราบ่นเราเรายอมไหมโอ้โหเราเอาตายเลยนะนี่พราะแม่ไงแต่ถ้าแม่บนนะ่นเนี่ยแปลว่าแม่ให้พรใช่ไหมละ่ะเราอ่านอัธยาให้ได้เขาให้พรเรานะมุดงิดให้ไปใพ้คนๆเสียนะ ที่แม่พูดอย่างนั้นแปลว่าอะไรฉันรักเองมากนะแล้วทำไมไม่คิดมุมนี้่มันเรื่องจริงนะมันเดียวกันนั่นแหละมันเรื่องเดียวกันแล้วอยู่ที่เราจะคิดมันเหมือนกรณีที่เราไอ้คาพูดเนี่ยไอ้คําพูดดีหรือไม่ดีทั้งหลายมันดูเจตนาใช่ไหมดูเจตจํานงเหมือนกรณีที่เราคุยกับลูกน้องลูกน้องเอางานมาส่งเราเราเห็นเนเห็นงานเป็นแย่มากน่ยแต่เราจะบอกมันห่วยเนี่ยมันจะโกรธเราใช่ไหม เดี๋ยวมันหักข้าวหนัข้าวมันเยอะหาคนทํางานก็ไม่ได้แล้วบอกเ อ, องานเองทําโอเคนะแต่มันเนี่ยไปแก้ตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวจะดีขึ้นเหมือนกันแท้ <c oughs> จริงก็คือห่วยนี่แหละก็คําพูดดีๆนั่แหละแต่จริงในใจเราโอหเรารับไม่ได้เลยงาน <c oughs> เอาไปแก้มาสี่อย่างห้าอย่างเนี่ยต้องมาทำมาใหม่ไอ้ส่วนนั้นดีอยู่แล้วว่าือนกันนะ <c oughs> แต่ที่จริงก็คือเป็นคําตําหนินะั่นเองทั้งๆคาดีๆเนะี่ยหรืออย่างเรายกมือไหว้กันตามประเพณีบางครั้งอ่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหรืออยซสอสอมันก็ไหวหาเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ได้เคารพอะไรจริงๆเลยใช่ไหมแต่เราไปติดทําไมคำพูดอย่างนีน้แต่คำพูดแม่ที่ตําหนิหรือว่าอย่ในใจแม่รักในใจนะ่ละลักอย่าเอาแค่บุคลิกภาพอย่าเอาเพียงคําพูดแต่ให้เอาอัตลักสาระที่แท้จริงที่ความเป็นแม่เป็นลูกตรงนั้นแหะอ่านให้ขาดอ่านให้ขาดบางทีแม่นอนร้องไห้นะ นอนร้องไห้ร้องไห้ตรงที่ว่ารักลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างที่ตนเองต้องการแต่ตนเองจะแสดงออกมาไม่ได้เพราะตนเองออกจากความเห็นไม่ได้เขาอยากแม่เป็นนะฉันฉันพูดไม่ได้ว่าฉันรักลูกรักมากรักมากคือมันไปนฝังความเห็นอย่างนี้มาตั้งแปดสิบปีเงี้ยเจ็ดสิบปีหกสิบปีเงี้ยมัน คือทิฏฐิตัวเนี้ถอนไม่ได้แล้วแม่แล้วเราก็พยายามอยากแคให้แม่แสดงออกแสดงออกแล้วไปข่มข่มขืนอะไรแม่ข่มขืนความรู้สึกของแม่ทําไมใช่ไหมเราเราเราเป็นผู้อ่อนโยนเองที่อ่อนน้อมเองที่ทําสิเราเป็นลูกอ่ะทําเลยแล้วกุศนที่ทําเนี่ยทําให้ลูกเห็นได้ยิ่งดีพาลูกไปด้วยแล้วก็ทําให้ลูกเห็นกราบแม่ให้ลูกเห็นกรกนกอดแม่ให้ลูกเห็น แม่จะบ่นจะอุดด่าว่าไงก็นั่นถึงลูกบอกเอ๊ะทำไมแม่ยอมกับแม่ขนาดนั้นแม่ไงบอกเขานี่คือแม่ถ้าคนอื่นแม่ก็ไม่ยอมหรอกที่พ่อเป็นแม่คนราะเราลักไงถ้าเรารักใครสักคนเรายอมหมดหละพูดนะนี่คือรักแท้เป็นแบบนี้เลยบอกลูกให้เข้าใจอย่างนั้นได้ไหมล่ะพาลูกไปเลยไม่ต้องไปพูดให้ลูกฟังทําให้ลูกดูเลยเนี่ยทําทเราต้องเราต้องถอนตัวเองออกจริงนะอัตลักษณ์ที่มันมันเป็นตัวขวางเนี่ย ยอมทำได้ไหมล่ะกลัวเสียพร้อมตรงไห น, นไม่มีพร์อมเหลือแล้ว <c oughs> อย่าไปเถอะใไมจริงๆแม่กอาจจะต้องการใู้พร้อมทำแตเพอว่าไม่เคยทำขเขินเขาีไหรเหมือนอ น, นโอ้โหก็ดูที่ขนาดเราอายุน้อยกว่าเธอยังไม่กล้าทำเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแม่เขาเขาเห็นเขาดูละครเนี่ยเขาเห็นเนอ ลูกใช่ไหมลูกปฏิบัติในละครมันแสดงเรื่องดีๆนี่กราบแม่กราบเท้าแม่สมมติลูกแม่ก็ไปดูก็น้ําตาไหลเนี่ยโอ้โลูกกูไม่เคยทํำเลยมาแต่ละทีนี่โอ้โหความเป็นเขาก็อยู่กับจินตนาการของเขาอย่างนั้นเลยลูกเราคุยกับเราก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีในละครเรื่องนี้ไม่อยากดูเลยกินใจใช่ไหมนะทำเลยถ้าท่านมีพ่อมีแม่ให้ทํา จริงไหมกลับไปรีบทำเร็วก่อนเฉพาะตอนไม่โกรธใช่ไหมล่ะโกรธก็ทำอยู่หรือไม่ทำยอมกรอดก่อดแม่บ่อย ก็มีคมางวันที่ออกไม่ลงพ่อแล้วว่าบาวันคุณแก็ไม่น่ารักนะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างนี้จริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยจริงๆคุณแม่ก็น่ารักทุกวันเลยแต่ความรู้สึกในใจเราอะ่ะเราไปตัดสินว่าคุณแม่น่ารักและไม่น่ารักฉะนั้นขจัดความไม่น่ารักในใจอ อ, อกก่อน จงมองเห็นแม่น่ารักทุกวันแท้จริงไม่เกี่ยวกับแม่มันเกี่ยวกับในใจเราไปล็อกความเห็นไว้ก็ทําลายความเห็นทิ้งซะวิธีการคืออย่างนี้ทําลายทิ้งไปได้วยปัญญาเอาปัญญาทําลายทิ้งไปอันนี้ขัดขวางฉันจะทําดีกับแม่มาขัดขวางได้ยังไงไม่เอาก็ใจยังเอทําลายทิ้งไม่ใช่แม่ไม่น่ารักไอความคิดของเราว่าแม่ไม่น่ารักไอตัวนี้ต้องทําลายไอนี้ต่างหากไม่น่ารัก ไอ้ความคิดแบบนี้ต่างหากที่ไม่น่ารักใช่ไหมคุณแม่ก็น่ารักทุกวันแม้แม่จะมีพฤติกรรมยังไงมีสีหน้าแวลตา ย, ยัางไงก็น่ารักแต่ความรู้สึกของเราต่างหากที่เราคิดว่าคุณแม่ไม่น่ารักไอ้ความรู้สึกตรงนี้ไม่น่ารักนั่นต้องทําลายโดยนิทิสเข้าใจอย่างความเข้ใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจว่าเข้าใจว่า ในความคิดว่าทําแล้วเราไม่เคยทําเขินในความคิดนี้ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยจริงไหวันนี้แม่น่ารักวันนี้แม่ไม่น่ารักเราเอาเราให้ใครเป็นคนบงการให้ความคิดของเราบงการในความทัศนคความเห็นของเราเป็นตัวบงการในความเห็นของเรามันน่าร so mm ักไหมแบบเนี้ยความเห็นนี้ตันหากที่ไม่น่ารักก็ถอดความเห็นทิ้งเสียทาลายความเห็นนี้ทิ้งเสีย ใช่หเราจะได้มองแม่น่ารักทุกวันแม่แม่แม่เดินก็น่ารักนั่งก็น่ารักนอนก็น่ารักแม้โกรธยังสวยเลยให้ดูให้ดูอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะเรื่องจริงนะอั น, นี่ฉันพูดเรื่องจริงนะเนี่ยที้ความรู้สึกของเราต่างหากเราไปล็อกไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้บอกว่าแม่ต้องเป็นอย่างนี้เจ้พ่อต้องเป็นอย่างนี้เหมือนนั่นไง ไม่ไปคุยกับพ่อกับมาโกรธกับพ่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปคิดว่าแท้ที่ไหนได้ความคิดของเราเนี่ยมันไม่น่ารักใช่ไหมจริงจริงพ่อก็เป็นเขาอยู่นั้นอแล้ยแม่ก็เป็นของเขาอยู่นั้นยนจริงๆรแล้วความรู้สึกของเราไปเที่ยบตัดสินเขาน่ารักไม่น่ารักใช่ไหมแหมขนาดขนาดขนาดแม่หรือพ่อเรายังไม่ค่อยยกเว้นเลยถ้าพักพวไม่รู้พวกเราจะยกเว้น เดี๋ยวอันนี้ขนาดพ่อแม่นนั้นเนี่ยมีอุปการะคุณขนาดนี้เอี๋แปลกแต่เป็นฉันเองเดยามันนั่งเดี๋ยเออทาไมให้ให้ให้กิเลสในใจของเรามาตัวขวางกั้นระหว่างเรากับพ่อแม่ได้อย่างไรไอ้กิเลสมันใหญ่โตไปจากไหนกันไอ้ความคิดแบบนี้ทําไมต้องให้มันมามาบงการเราด้วยทําำให้มาเป็นเครื่องกั้นไอ้กิเลสพวกเนี้ยก็ออกไปสิ บอกที่ครบไม่ได้ถ้าขนาดไปไปกปฏิบัติผิดต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้ไม่ควรจะไปเชื่อถือนะใช่ไหมถ้าไปเชื่อถือได้ยังไงในความคิดแบบเนี้เราต้องเอาทิ้งไปได้ตั้งนานแล้วใช่ไหมมันทำให้เป็นเครื่องกั้นระหว่างเรากับพ่อกับแม่ใช่ไหมเราเราควรจะปฏิบัติดีกับพ่อแม่ตลอดเวลาแต่มากั้นเวลานี้น้าลากเวลานี้น้าไม่น่ารักเวลานี้หน้าว่าเวลานี้ไม่น่าไหวนี่เอเป็นใครต้องถามกิเลสตัวเนี้เองเป็นใครมาบงการชีวิตจนขนาดนี้นี่ไม่เอา ใช่ล่ะพ่อแม่ต้องน่ารักตลอดใช่ไหมยิงไหมล่ะเอาถ้าถามบอกว่ า, าลูกนอนอยู่ในทอ้องถ้านอนดิงด่งๆนอนนิ่งๆฉันถึงจะรักถ้ามันดินในท้องฉันจะไม่รักมั่แม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยพราะแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ถ้าคลอดออกมาแล้วถ้าเป็นผู้ชายฉันจะเลี้ยงถ้าเป็นผู้หญิงฉันจะไปเลี้ยงไม่ใช่เลยใช่ไม้มไม่ใช่ พาอแม่ไม่ได้คิดเห็นคาว่าลูก <bunker. S 1> ข kind of popcorn, mm ึ้นมาแล้วมันสะเทือนใจเหมือนละเข้าใจยางด้วยเวลาผ่านไป้าในที่เราเคน้ใจเสียใจต่อพ่อแม่มเสียเวลาไม่สคัญก็เพราะว่าเราไปให้ความคิด ที่มันไม่ถูกเนี่ยมามาม า, มาเป็นใหญ่มาเป็นใหญ่ในใจเรามาเป็นตัวคอนโทรกระแสะความคิดเราแล้วเราก็เป็นไปตามอำนาจครับแล้วที่สุดจริงเราเสียโอกาสหมดเลยเสียโอกาสมาจนอายุขนาดนี้แล้วโอโ้โหเสียเลยเนี่ยแล้วเวลาที่เหลือ น, น้อยนิดเลยที่เราจะไปปฏิบัติเนี่ยต่อนั่งเอาเอ า, เอาพ่อแม่ใส่คอไว้ยังไม่ทันเลยอ่ะให้ท่านนั่งอยู่บนบา่าทา ย, ยจลาประสวะลดเลยเนะแล้วก็ปฏิบัติดีกับท่านตลอดเลยเนะ ยังไม่นยังไม่พอต่อการทดแทนบุญคุณเลยอ่ะดูสิเนะี่ยเราไปปล่อยโอกาสเหลือไม่กี่วันเด้อเขาต้องจากกันแล้วสมมุติจะอยู่กันสิบปีปีหนึ่งสามรอยหกสิบห้าวันสิปีกี่วันกี่365วันปีสามร้อยหกสิบห้าวันสิปีกี่วันสามพันหกร้อยห้าสิบวันแค่นั้นเองที่เราจะได้มีโอกาสอยู่กับนี่นี่สิบปีนะนี่อาจจะไม่ถึงด้วยเอาห้าปี พันกวันโอ้โ oh, หยุ่งเลยยุ่งเลยเยอะพันกวันนี่เกือบสองพันแค่นี้เองที่เราจะมีโอกาสอยู่กับท่านและปฏิบัติดีกับท่านโอ้ถ้าเป็นยันเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบปปฏิบัติเลยอย่างนี้ใช่ไหมล้ว mm hmm. มันรีบแล้วเหลือเวลาน้อยแล้วใช่ไหมล่ะเ mm hmm. หลือเวลาเพียงแค่นี้เองอย่างก็เราจะอยู่เป็นหมื่นวันไม่ถึงหมื่นวันด้วยซ้ำเลยนะ เหลือสองพันกว่าวันหรือบางคนเหลือพันกว่าวันบางคนขนาดกำหนดแบบนี้แบบคร่าวๆเพื่อเผื่อได้ปฏิบัติเพียงแค่ห้าสิบวันตายไปโอ้เสียดายชีวิตใช่ไหมบาทีเราไปทุ่มเทคนอื่นซะเต็มที่จริงไหมคนอื่นบางทีไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราเลยในทุ่มเทเขาจ้างเล ย, เลยมีใครไม่รู้มาบอกว่ารักคุณมากเลยโอ้ <laughs> <laughs> ทุ่มเทมันจะเต็มที่เลย แค่คำเดียวมันบอกว่ารักเรามาทุ่มเททุ่มเททุ่มสุดชีวิตเลยนาเะเข้าใจใช่ไหมบอกว่ารักเราแค่นี้โหทุ่มเทเต็มที่เลยโทรหาทุกวันเข้าใจยังโอ้โหนี่ไม่เคยเข้าใจนี่ไม่มีอควอ้าวเข้าเข้าใจบางทีไม่ต้องใช้ประสบการณ์ใช้ปัญญาเข้าไปรู้ได้ ใช่ไหมประสบการณ์ไม่ใช่ทาให้คนฉลาดขึ้นแต่ปัญญาต่างหากทำให้คนฉลาดบางคนอยู่กับประสบการณ์ทั้งปีทั้งประชาติไม่เห็นรู้อะไรเลยใช่ไหมประสบการณ์ไม่ใช่ทาให้คนฉลาดขึ้นแต่ปัญญาต่างหากทําให้คนฉลาดนั้นวันนี้เราได้ปัญญากันเลยใช่ไหมได้ได้ปัญญาได้วิธีคิดเลยได้หลักการประยุต์ยังจริงทําได้ไหมยังมีข้อแม้ไหม อย่างนี้อยู่แน่ๆนี่ต้องคำว่าไม่มีข้อแม้ใดๆสำหรับกินงทั้งพูดอย่างงี้ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะทำได้ทุกอย่างถ้ายอมจะทำถ้าเราคิดว่าจะทำมีอะไรบ้างอะที่เราคิดจะทำแล้วทำไม่ได้ที่ผ่ า, น า, างน่ะก็นั่นไง ก็ น, นี่ไงเพราะถ้าผมแลกจะร้องความโมนหเลยไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่หรอเรามีเจตนาแบบนั้นเราเพราะเรามีเจตนาที่จะกินตามความต้องการของเราในการต้องการมีเจตนาอยู่เนี้ย น, นั่นไงไม่มีสิ่งใดที่ยอมทําไม่ได้<ะ>ก็นี่เพราะเพราะยอยมไม่สนใจใครฉันจะทํำฉันแบบเนี้ยก็ยอมก็เลยเป็นแบบนี้ไง นี่ไงคือคือยอมตามใจใครตามใจเจตจํานงความจงใจตั้งใจก็เพียงเราก็ตั้งใจจะทําอย่างไรมันได้หมดเลยมนุยถ้ายอมลองตั้งใจจริงๆดิใช่ไหมอะไรทุกอย่างทำได้มนุษย์นี่ไม่ธรรมดานีจากมนุษย์ธรรมดาอย่างพระพุทธเจ้าฝึกฝนตั้งใจว่าจะตัดสรู้ความจริงให้ได้ก็ฝึกฝนพัฒนาจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นสมมาสมบุท ธ, ธา แล้ต้องการชี้เห็นอะไรก็คือพระเจ้ากลับเอาพวกเธอเป็นมนุษย์ไหมเป็นฉะนั้นสามารถที่จะปลุกตนเองเป็นพระพุทธเจ้ายังได้เลยอย่าว่าจะจะเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแค่จะเป็นคนดีกับลูกลกับลูกคนคนดีกับกับแม่หรือจะดูแลแม่ทําไมจะทําไม่ได้ขนาดเป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นได้มนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยไร้ขีดจํากัดเนียศักยภาพของมนุษย์ถ้าตั้งใจที่จะเป็น เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระตัจเจกของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นสาวกพระพุทธเจ้าเป็นได้หมดจะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรห ม, มเป็นได้หมดเลยมนุษย์มนุษย์สามารถจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงคําว่าตถาคตโพธิสัต tha ไม่ใช่ไปเชื่อที่องค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อปัญญาพระพุทธเจ้าทําให้ดูพระพุทธเจา้าบอกเราเหมัอนไก่ตัวพี่ ไก่ตัวพี่ก็หมายความว่าไก่เนี่ยไก่ที่ในในในกระปาะไข่ในในในในในไข่เนี่ยไอตัวลูกไก่ที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาฝึกตนเองจนแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็เจาะกระเปาะไข่ฉีกเปลือกไข่เดินขึ้นมาสู่โลกกว้างเป็นอิสระเสรีภาพพวกเราเป็นไก่ที่อยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเราจะนอนเป็นไก่ที่ตายไปหรือไม่ยอมเจาะเปลือกไข่ออกมาสู่โลกกว้างตะเป็นนะพระเจ้าบอกว่านี่ไงเราเจาะให้ดูแล้ว มันออกได้ออกจากกิเลสได้ออกจากปัญหาได้ออกจากความออกจากความไม่มีศรัทธาเข้าสู่ความผู้มีศรัทธาได้ออกจากความเกลียดค้านเข้าสู่ความเพียรเกล้าได้ออกจากความเลอะเลือนเข้าสู่ความมีสติตั้งมั่นได้ออกจากความฟุ้งซ่านเข้าสู่ความตั้งมั่นคือมีสมาธิได้ออกจากความไม่รู้เข้าสู่ความมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมนุษย์เนี่ยฝึกได้ขนาดนี้พุทธิยถาบอกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้มันเป็นกําลังใจให้กับ จากการที่ไม่เคยปฏิบัติต่อแม่อย่างเงี้เราปฏิบัติต่อแม่ได้ฝึกได้ส่วนคาว่าต้องฝึ ก, น, น, น, ก, น, น, ก, กนี่เป็นหน้าที่เห็นไหมฝึกได้นี่เป็นกําลังใจต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่ขยาอย่างเห็นไหมมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ยอมจะฝึกเป็นอะไรก็ได้จะฝึกจากคนที่กโกรธเป็นคนที่มีเมตตาก็ได้ทำได้จากไม่อดทนฝึกให้เป็นคนอดทนก็ได้อะไรแบบฝึกได้ เป็นกำลังใจไหมต้องฝึกเป็นอะไรเป็นหน้าที่เพวกเราเนี่ยฝึกได้ไม่ได้สามารถไปพูดดีกับแม่ได้ไหมใช่ไหมไม่โกรธแม่ทำได้ไหมไดไม้ฝึก <โ enfin S 1> ได้ดไงเจ๊ะไหมล่ะไม่โกรธแม่เนี่ยทำได้ไม่ใช่ไม่ได้ถึงบอกพระเจ้าถึงให้กาลังใจพวกเราว่าฝึกได้แต่ต้องฝึก มีเป็นหน้าที่ไม่ใช่ว่าพอฝึกได้โอ้สบายแล้วไปนอนแล้วไม่ทาอะไรต่อใช่ต้องไปฝึกเพราเราโอ้โหต้องฝึกอีกเยอะแต่ว่าเออเรามีกําลังใจพอฝึกได้เนมีกําลังใจก็เราจะต้องฝึกให้ได้ทำให้ได้พอเจอด่านแรกปุ๊บมันอาจจะยากหน่อยเฮ้ยทาใหม่ใช่ไหมต้องรีบทําเวลาจํากัดใชเราก็ขนาดนี้แล้วแม่ก็ถือแปดสิบขวบจริงๆน่าจะคิดได้เม่ยี่สิบปี กตอนนั้นไม่เจอพระตอนนี้มีโอกาสเจอพระแล้วใช่ไหมเออมีโอกาสอาหมายังเอกใจอยู่นะยังบอกยอมแหวนว่าเออเนี่ยวันนี้เดี๋ยวทำบุญเสร็จตอนบบายอามาก็นั่งนึกเอองต้องมีเรื่องอะไรเนี่ยห้องถ้ามีจริงๆเลยเนะี่ยในโอกาสเลยดีไั้ยังมีอะไรทนะําะหมดแล้วนะ หมดแล้วเดี๋ยวไปติดปัญหาให้ว่ามาโอเค